อาจารย์ครับการนมัธ ก, การครับผมอาจาริ์พรคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับผมอาจารย์ครับเมื่อเช้าคนไปใส่บาตรเยอะไหมครับอาจารย์ครับเมื่อเช้านี้490โอ้โหวันนี้วันอาทิตย์ธรรมดาใช่ไหมครับอาจารย์เออแต่ถ้าเมื่อวานนี้606เมื่อวานนี้เป็นวันพระ ด, ด้วยครับผม ทางบ้านก็สี่รอยมั้งสี่ร้อยคนทางบ้านฝากใส่ประมาณสี่ร้อยคนโอ้ครับผมวันนี้ ค, คนทางบ้านก็ประมาณสองร้อยทำไมทำต้องเป็นวันหยุดชนวันพระนี่เป็นพันเลยเยอะเพราะคนนี่มันทำบุญวันพระกันเพ่าะวันพระนี่เป็นวันสําคัญวันที่จะต้องทําหน้าที่ของชาวพุทธคือทานศีลภาวนา ถ้าไม่ได้ทําศีลไม่ไดานาอย่างนั้นก็ทํำบุญกันทําทานกันใช่บาตรกันแล้วมีคนชอบถามว่าทําบุญวันพระแล้วได้บุญมากกว่าวันอื่นไหมครับอาจารย์มันเท่ากัน่ะมันบุญมากบุญน้อยอยู่ที่ทำมากทําน้อยครับเหมือนกินข้าวกินข้าววันพระกับกินข้าววันธรรมดามันถ้าปริมาณมันเท่ากันมันอิ่มมันอิ่มเท่ากันหรืเปล่ใช่ไหม ชาวการงานอาจารยนั่นแหละครับ <laughs> แต่ว่าคนชา ว, ชาวพุทธเราถือวันพระเป็นวันสําคัญเพราะวันที่พระเจ้าทรงบัญญัติให้ชาวพุทธเรามาทําหน้าที่ของของชาวพุทธกันหนึ่งวันให้มีวันหยุดทํางานแล้วก็มาทําทานรักษาศีลภาวนาฟังเทศน์ฟังธรรมกนันนี่คือหน้าที่ของชาวพุทธเรา าอาจารย์ครับวันนี้เป็นการจัดรายการครั้งที่146ครับวันนี้ขอความเมตตาพระอาจารย์วิธีชําระจิตใจให้ใสสะอาดครับาอาจารย์ครับกับขอความเมตตาครับผมก็เนี่แหละการปฏิบัติทานศีลภาวนาเนี่ยแหละก็คือวิธีชําระจิตใจให้สะอาดคือแต่ละวิธีก็มีความสามารถที่จะชําระได้ในระดับหนึ่งทาบุญทำทานก็ชําระกิเลสคือความตนนี ความโลภอยากได้เงินมากๆอเนี้ยไปและอยากจะเอาเงินไปใช้ในทางที่ไม่ควรจะใช้เช่นไปหาความสุขยากรูปเสียงกิ่นรสต่างๆการที่ไปเที่ยวกันก็เอาเงินที่จะไปเที่ยวไปทําบุญดีกว่าอันนี้ก็จะลดตันหาความอยากการมาตันหาความอยากจะเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลภัณฑได้ได้ระดับหนึ่งแต่ก็ยังไม่หมดนะ แล้วก็การรักษาศีลก็ช่วยกําจัดความอยากที่อยากเบียดเบียนผู้อื่นสร้างความทุกข์สร้างความเสียหายเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นถ้าถึงศีลห้ามันก็ทำไม่ได้จะไปลักทรัพย์ของผู้อื่นก็ไม่ได้จะไปผิดปรกตินีกับผู้อื่นก็ไม่ได้จะดื่มสุรายามเมาก็ไม่ได้บางคนก็ถือถือศีลข้อ น, นี้ครับ คือจะไม่เดี <Probably. S 2> uther, ar, ๋ยวสุราในวันพระเช่นเมไทยเราเขามักจะไม่ให้กล่าวสุราในวันพระกันใช่ไมใช่ครับไห่บ้างในปฏิบัติตามมันได้หลยอย่างครับเราซืไว้ก่อนครับอารอันนี้ก็เป็นการปฏิบัติเพื่อขัดเกลอกิเลสตัณหาความอยากต่างๆให้มันเบาบางลงไป แต่จะทำให้มันหมดไปอย่างราบคามนี้มันต้องใช้วิธีภาวนาจิตตะภาวนาซึ่งการกำจัดกิเลสตัณหาด้วยภาวนาก็มีแบ่งเป็นสองระดับระดับแรกเรียกว่าส ม, มถาภาวนาคือใช้สติใช้สมาธิหยุดความอยากต่างๆไว้ชั่วคราวก่อนเวลาจิตเข้าสมาธิจิตสงบนิ่งไม่ทำงานไม่คิดปงแตงสังขารก็ทางานไม่ได้กิเลสตัณหาต่างๆก็ทางานไม่ได้ เากเป็นการตัดกำลังของกิเลสไม่ชั่วข้าวแต่พอออกจากสมาธิมามันก็จะเริม่มคิดคิดแล้วเดี๋ยวก็คิดไปในเรื่องโลกธรรมอยากจะได้ราบยศสนเสริญขึ้นมาใหม่อันนี้ก็ต้องไปปฏิบัติขั้นที่ขั้นตัดต่อไปจากขั้นสมถะถ้าเราสามารถทําใจสงบให้เนื่งได้หยุดกิเลสตัณหาได้แล้วขั้นต่อไปเวลาออกจากสมาธิมาเราก็ ใช้ปัญญาสอนใจว่าการทําตามความอยากนั้นมันเป็นการเป็นการได้ความสุขแบบชั่วคราวเพราะสิ่งที่เราได้มันก็เป็นอนิจจังไม่เที่ยมรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะลาภยศสรรเสริญนี่เราเป็นของชั่วคราวเวลาได้ก็มีความสุขเวลาเสื่อมเวลาเสียเวลาหมดก็เกิดความทุกข์ใจเสียใจขึ้นมาถ้ามันอยากจะทุกข์ใจเสียใจก็อย่าไปหาความสุขจากลาภยศสรรเสริญ จากรูปเสียงกลิ่นรถเพราะเราเห็นด้วยปัญญาเห็นว่ามันเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขมันเป็นความสุขที่เครือบห่อความทุกข์ไว้พุ้มห่อความทุกข์ไว้เหมือนญาขมเครือบน้ําตาลน้ําตาลเป็นผิวบางๆมามแล้วอมเข้าไปก็หวานพอน้ําตาลหมดนี้ก็จะลดขมจะลดคมที่ได้หน้าที่สเสริญสุขที่เราได้มันก็เป็นความสุขชั่วคราวพอมันหมดไปมันก็ยังเลือแต่ความขมขื่น ความเศร้าเศ้าใจให้เราได้สัมผัสอันนี้ถ้าเราพิจารณาเห็นตายรักในทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจปริยัติได้ก็ใจก็จะหยุดความอยากต่างๆได้แม้แต่แม้แต่ความอยากในสมาธิก็ยังก็ถือว่าเป็นเป็นกิเลสถ้าเราอยู่ในขั้นที่สูงขั้นคือขั้นขั้นระดับโลกุตตะระขั้นพระอนาคามีไปแล้ ว, ลวเรา เรื่องต้นเราใช้สมาธิเป็นเครื่องมือในการหยุดความอยากในทางการอารมณ์รูปเสียงกิ่นรสต่างๆพอเราตัดได้แล้วที่เราก็มาติดความสุขความสุขที่ได้จากสมาธิซึ่งมันก็เป็นความสุขชั่วคราวเวลาเข้าสมาธิเวลาจากสมาธิมามันก็หายไปแล้วก็ใจก็ยังคิดปรุงแต่งยังมีกิเลสตัณหาที่ละเอียดหลงเหนืออยู่ที่ยังมาสร้างความเจ้าไข่อยู่ ถ้าไม่ใช้ปัญญาพิจารณากิเรตัญหากลับไปใช้สมาธิเป็นที่หลบมันก็จะยังไม่ได้แก้ปัญหาต้องใช้ปัญญาพิจารณากิเรที่เหลืออยู่อวิชามอาวิชาทุกทันจะปฏิฆากามรมาลาฆามูปร า, าลาฆาก็เนี่ยมีอยู่ห้าอันด้วยกัน ที่ต้องใช้การพิจารณาการมาลลุปราคะคืการติดในรูปประชานอารุปราคะก็คือการติดในอรูปประชานทิฏฐิามานะก็การถือตัวอวิชาก็คือความยังไม่เห็นเกเรตที่ละเอียดตัณหาความอยากในอริยสัจสี่ที่ละเอียดอยืนที่ยังทํางานอยู่ในจิตอยู่อ น, นี้ก็ต้องใช้ ให้ปัญญาสอนใจให้นะสัมยชนที่เหลืออยู่ห้าตัวนี้เอาละได้หมดแนละ้วทีนี้สัมยชนนั้นความอยากกิเลสตัณหามันก็จะหมดสิ้นไปจากใจคําว่าสัมยชนนี่ก็คือเป็นชื่อชื่อหนึ่งของกิเลสตัณหาหนึ่งแล้วใช้สัมยชนเพราะมันเป็นกิเลสตัณหาระดับโลกุตระระดับระดับอริยบุคคล ถ้าเราใช้กิเลสบับทั่วไปล้วก็ของของปุถุชนเราก็เรียกว่ากิเลสตนันหะในพอจะเข้าสู่กระบวนการของเข้าสู่ระดับมรรคผลนิพพาน ล, ล้วก็เปลี่ยนชื่อกิเลสมาเป็นสมโยน์สิบสิบชนิดด้วยกันกิเลสสิบตัวอันนี้ก็ต้องคำจัดด้วยปัญญาสมาธิเพียงแต่กสดสามโยต์ไว้ไม่ได้ ให้มันทํางานเวลาเข้าสมาธิมันก็หยุดทํางานในเวลาพอออกมาสัยมย่อมันก็จะทํางานต่อทีิเลนเลยทางานต่อได้ลองใช้ปัญญาพิจารณาใช้อณิยัติสัจสีใช้ใจรักเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ให้เห็นว่าความอยากต่างๆนี้เป็นเหตุที่ทำให้ใจไม่สงบทําให้ใจทุกข์ทุกข์ไหวใจไม่อิ่งไม่พอ และสิ่งที่ใจคิดว่าจะให้ความสุขก็ไม่เป็นความสุขที่จะให้ความอิ่มความพอเป็นความสุขเชื่อข่าวเป็นอนิจจพิจารณาแล้วก็ปล่อยวางความอยากต่างๆพอปล่อยวางได้หมดแล้วใจก็สะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมาเพราะสัมโยสัมโยทัยทท้งสิบข้อได้รับการกําจัดด้วยปัญญาแล้ว สังโนยนหลนั้นก็จะไม่ฟื้นกลับขึ้นมาอีกต่อไปจิตจะกลายเป็นนิพพานไปจิต ท, ที่ บ, ททร บ, ร บ, รบริสัจิตที่ได้รบการชำระจัดสานบริสุทธิ์แล้วก็เรียกว่านิพพานจิตบริสุทธิ์ก็คือทานศีลภาวนามีสมถะกับปัญญาครับอาจารย์ครับ ภานาก็สมถากับวิปัสสนาด้วยปัญญาด้วยสมาธิกับปัญญามันข้ามขั้นไม่ได้เพราะว่ามันเป็นขั้นที่เหมือนกันเป็นสนับสนุนกันเหมือนการเรียนหนังสือเนะี่ยไปข้ามชั้นไปเริ่มต้นชั้นที่สูงกว่นนะั้นโดยที่ไม่ได้เรียนที่ชั้นต่ำกว่ามันก็ไม่มีความสามารถที่จะเรียนได้อยู่ดี่ต้องไต่เต้าไ ป, ไปจากชั้นปรถมจากอนุบาลไปปรถมปรถมไปมัธยม พัทยุลไปริญญาตีโทเองต่อไปกลับขอบพระคุณพอาจารย์ที่ให้ปัญญาครับผ ม, มวันนี้มีคําถามจากเพื่อนๆเยอะเหมือนกันครับอาจารย์ครับจากคุณแว่นครับบอกว่าขอความเมตตาพระอาจารย์ขยายความหมายของคําว่าอุปทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ให้เข้าใจด้วยครับก็ลอาไปยึดถึงสันห้าว่าเป็นตัวเราของเรา ความจริงมนไม่ใช่ตัวเราของเรามันเป็นของธรรมชาติเป็นของธทาตุธาตุทั้งห้าร่างกายก็เป็นของธาตุสี่ดินน้าลมไฟใจก็เป็นธาตุรู้นามขันภเวทนาสัญญาสังขารก็เป็นส่วนของธาตุรู้แล้วเขาก็เป็นเหมือนดินเขาเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศเรไปควบคุมดินฟ้าอากาศได้ไหมไปสั่งให้ฝนตกแดดออกได้รไดไหรอเปล่าควบคุมบังคับขันห้าไม่ได้แต่เราไม่ยังไป ยังคงหลควบคุมหงอยู่เพราะเราสามารถทําได้ในระดับหนึ่งใช่เรายังสั่งให้ร่างอยากให้ร่างกายลุกขึ้นมายืนแล้วก็สั่งได้อยากให้มันเดินมันเดินได้อยากจะหาอะไรกินก็กินได้นั่มันก็มีอยู่จุดที่มันทําห้ามมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้เวลามันไม่สบายจะสั่งให้มันหายปุ๊บมันก็ไม่หายเวลามันดีอยู่จะไปห้ามไม่ให้มันไม่สบายก็ห้ามันไม่ได้โดยความจริงแล้ว ส่วนใหญ่มันจะห้ามไม่ได้มันเป็นเรื่องของธรรมชาติของดินน้ําลมไฟของท่านรู้ที่มันมาร่วมกันทําเป็นเป็นขันห้าเป็นโจเป็นตนขึ้นมาเป็นสัตว์เป็นมนุษย์เป็นเรัจฉานขึ้นมาเราสมมติมันขึ้นมาเองแล้วเราก็ไปยึดไปติดว่ามันเป็นตัวเราของเราเพราะมันเป็นอะไรเป็ของเราเราก็อยากจะให้มันอยู่กับเราไปนานๆให้ความสุขกับเรา เราไม่ต้องการให้สิ่งที่เรามีอยู่ในให้ความทุกข์กับเรานสิ่งใดที่มันให้ความทุกข์กับเรานี่เราจะกําจัดมันทันทีสิ่งใดมันให้ความสุขแล้วพยายามจะรักษาให้มันอยู่กับเราไปนานๆแต่มันก็อยู่ไม่นานมันก็เพราะมันเป็นของที่อยู่ภายใต้กฎอนิจจ์อนัตตาพอเราพยายามให้มันอยู่นานๆมันไม่อยู่นานๆกายเราก็ทุกข์ขึ้นมาอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย มันก็อยากมันก็ทำไม่ได้อยากแล้วก็ทุกข์ขึ้นมาอันี้อุปทานความยึดมั่นในขันห้ามันเป็นตัวเราของเราแล้วก็อยากให้มันเป็นไปตามความความต้องการของเราให้มันให้ความสุขกับเราไม่ต้องการให้มันให้ความทุกข์กับเราแต่เราก็ห้ามันไม่ได้เพราะมันเป็นธรรมชาติที่ให้เราทั้งสุขและทุกข์สลับกันไป คุณดำครับความหมายของอนัตตาไม่มีตัวตนหรือว่าหมายถึงมีแต่ต่อไปจะไม่มีครับหมายถึงไม่มีตัวตนเนี่ยมันเป็นตัวสมมติความจริงในโลกทั้งโลกทั้งหมดเนี่ยที่เราอยู่กันเนี่ยมันไม่มีตัว ต, วตวนเหมันเป็นความหลงของท่านุรู้คือใจสร้างขึ้นมาเราก็เชื่อเชื่อกันเชื่อตางกันมาเท่านั้นเองความจริงมันเป็นเรื่องของบิดาอากาศธาตุธาตุหก มันเป็นเรื่องของธาตุดินธานุา น, น้ำ่าตลนม่าตุไฟ่านรู้ทั้งว่าอาวกาศธาตุที่มันมีการปฏิสมัมพันธ์กันมีการผสมกันรวมกันทําให้เกิดเป็นอะไรต่างๆขึ้นมาเท่า น, นั้นเองแล้วเมื่อมันรวมตัวกันได้ระดับหนึ่งคล้วเดือดเทวานานมันก็แยกตัวกันออกไปสิ่งที่รวมตัวกันก็หายไปไม่มีใครมากําหนดไม่มีใครมาสร้างไม่มีใครมาทําลายมันเป็นเรื่องของธรรมชาติ มันจะเรียกว่าหน้าตาคือธรรมชาติก็ได้ธรรมชาติไม่มีตัวตนเรารู้ต้นไม้ไม่มีตัวตนเรารู้ดินฟ้าอากาศไม่มีตัวตนชั้นในหน้ากายของเราคันห้าของเราก็ไม่มีตัวตนเหมือนกันแต่ความหลงของเรามันมันหลอกให้เราคิดว่าเป็นตัวตนเราผู้รู้ผู้คิดเป็นตัวเป็นตนความจริงมันเป็นธรรมชาติที่นู้ที่คิดตัวเอย คุณบุญสิริครับทําอย่างไรจึงจะเห็นไปรักครับก็ดูดูการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเราเนีสิร่างกายเรามันเปลี่ยนแปลงไหมดูตั้งแต่ตอนเกิดมาจนกระทั่งถึงวันนี้แล้วมันเป็นคนเดียวกันหรือเปล่ามันไม่คนเดียวกันอย่างนี้รูปร่างหน้าตามันเหมือ น, นกับเป็นคนละคนใช่ไหมนี่ก็เป็นงานที่จับไม่เที่ยงนั่นลาห้ามมันได้ปะห้ามไม่มันเปลีป่ยนแปลงได้ปะถ้าห้ามมันไม่ได้ ต่อไปผมของมุนก็จะเงาบกอกขึ้นบางขึ้นผมนุ่มหนังก็จะเหี่ยวย่นขึ้นไปอันนี้ก็เป็นอนิจนนนนนจั ง, ม, งนนมีการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงนี่เรียกว่าอนิจจังการไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีการเปลี่ยนแปลงมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาอันนี้ก็คืออนิจจังอนัตตาก็คือมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เราสามารถควบคุมบังคับหรือห้ามมันได้ถ้าเราไปอยากให้มัน ไม่เปลี่ยนแปลงเราก็ทุกเนี่ยคนที่เราทุกข์กันกับร่างกายเพราะอยากจะให้สวยให้หล่อไม่อยากให้แก่ไม่แฮะไม่อยากให้ไม่สวยไม่งามแต่มันก็ห้ามไม่ได้ถึงเวลามันจะแก่ถึงเวลามันจะไม่สวยไม่งามมันก็ต้องเปลี่ยนไปตามตามธรรมชาติของมันนี่ก็คืออนัตตาทุกเกิดจากใจเราไปอยากให้มันให้มันไม่เปลี่ยนแปลงอยากให้มันอยู่ภายใต้คําสั่งของเรา พอมัไม่อยู่ภายใต้คำสั่งของเราเราก็เลยทุกกันคุณว่านครับเรียนถามทางปฏิบัติไม่ยึดมั่นในวิญญาณขันครับขอบคุณครับคือไม่ไม่ยึดมั่นทั้งขันห้าเลยไม่ใช่แต่แค่วิญญาณขันไม่ยึดในร่างกายรูปปั้นไม่ยึดในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันในเรื่องของขันห้านะ ในรูปประคันเ้าก็ต้องพิจารณาว่าร่างกายต้องตายต้องแก่ต้องตายต้อเก็บใข้แนป่วยเราห้ามมันไม่ได้เราต้องยอมรับความจริงันนี้ถ้าเรายอมรับความจริงก็ถือว่าเราไม่ยึดมั่นในใ น, ในขันนี้ในรูปประคันส่วนเวทนาสัญญาสังการวิญญาณนี้มันก็ทํางานเป็นทีมโดยตัวที่เด่นตัวที่นําทีมก็คือตัวเวทนาเวทนาก็คือความรู้สึกสุกสขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ มันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเพราะมันอยู่ภายใต้กฎอนิจจังอนัตตามันเปลี่ยนจากสุขมาเป็นทุกข์จากทุกข์มาเป็นไม่สุขไม่ทุกข์เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วเราก็ห้ามมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้แต่เราอยากจะให้มันสุขตลอดเวลาใช่ไหมวิทยานี่แหละอยาแต่บางทีเราก็ควบคุมให้มันอยู่เป็นสุขตลอดเวลาไม่ได้สุขได้เดี๋ยวเดี๋ยวหายไปแล้วเดี๋ยวทุกข์โผลมาแล้วะเช่นกินข้าวอิ่มๆก็ไม่สุขอยู่สักพันหนึ่ง ของกินมันสลายพอหลังจากนั้นกินไปสักสองสามยัความสุขที่ได้จากการกินก็หายไปแล้วรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์สักพากก็เริ่มทุกข์เริ่มหิวอย่างต้องกินอีกลมมะถ้าเราห้ามมันได้เปล่าถ้าเราห้ามถ้าเราสั่งให้มันสุขเวทนาถ้าให้มันอิ่มตลอดเวลาเราก็ไม่ต้องกินเรากินหนเดียวก็พอใช่ไหมแต่เราสั่งมันไม่ได้เวทนามันก็มีเหตุไปมีปัจจัยที่ทําให้ร่างกายมันหิวทําให้ร่างกายมันหิว ทำใหมันไม่หิวไม่อิบเพราะมันมีเป็นกระบวนการเป็นการดําเนินการของธรรมชาติเนี่ยทุกอย่างมันเป็นการดําเนินการของธรรมชาตินํามำวันกับคืนเพราะอะไรโลกเราหมุนเนี่ยนะนมีปีเพราะอะไรโลกเราไปหมุนรบอบดวงอาทิตย์เนี่ยมันก็เลยมีปีใค่ไหมเป็นเรื่องของขบวนการของของการดําเนินการของธรรมชาติ ร่างกายของเราก็มีเกิดแล้วก็มีแก่มีเจ็บมีตายแต่เราไม่ยามให้มันแก่ไม่ให้มันเจ็บไม่ให้ตายมันก็เลยทําให้เราทุกข์ขึ้นมาทุกข์ดาริยาสัตวสทุกข์าความอยากอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากอยู่ไปนานๆเพราะว่าตัณหาอยากอยู่ไปนานๆมีภาวะตัณหาอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากจะใช้ร่างกายเสพรูปเสียงกลิ่นรสกามาตัณหาเนี่ยตัณหาสามตัวนี้มันที่มาสร้างความทุกข์ใจให้กับเรา เราหยุดความอยากทั้งสามนี้ได้เราก็ไม่ทุกเรายอมรับร่างกายจะแก่ก็แก่ไปจะเจ็บก็เจ็บไปจะตายก็ตายไปเราก็จะไม่ทุกกับร่างกายไม่ทุกกับขันห้าคุณพีโกว่านครับสภาวะอรหันต์จิตอยู่ที่ภพภูมิใดครับอ๋อไม่ได้อยู่ในตายครบแล้วไม่ได้อยู่ก็ไดอยู่ในนิพพาน นิพพานนี่มันอยู่นอกนอกนอกปลายพรมปลายพรมนี่เปลี่ยนเหมือนคุกตาราดส่วนที่พายเนี่ยเหมือนอยู่ที่นอกคุกตารางคนที่ติดคุกกับคนที่อยู่นอกคุกไม่เหมือนกันนะคนที่อยู่นอกคุกมีสละภาพจะทำอะไรก็ได้ไม่ถูกกดขี่เหมือนอยู่ในคุกในทุกนี่ถูกบังคับถูกกักขังเราติดพวกเราเราที่ติดอยู่ในคุกแห่งการเกิดแก่เจ็บตายกำแพงที่ล้อมคุกนี้มีอยู่สี่ด้านด้านหนึ่งก็คือเกิด ด้านที่สองก็คือแก่ด้านที่สามก็คือเจ็บด้านที่สี่ก็คือตายเราก็เรียนว่าติดอยู่ในคุกตารางแห่งการเกิดแก่เจ็บตายด้วยการเราจะปฏิบัติจนนรรลุเป็นพาาาระอรหันต์ขึ้นมาพอเราเป็นพาาาระอรหันต์เราก็ออกจากคุกของการเกิดแก่เจ็บตายสภาวะนับคุกเราก็เรียกว่านิพพานนีงคุณสมพรครับ จิตใจเราไม่ใสสะอาดเพราะเราไม่รู้ทันจิตตอนที่จิตเราปรุงแต่งสติเราอ่อนโยมเข้าใจอย่างนี้ถูกต้องหรือยังครับ อ, อจิตใจเราไม่สะอาดมันตั้งตั้งไหนตั้งเดิมแล้ ว, ลวเพราะเรามีวิชาตัวที่สร้างความไม่สะอาดให้กับจิตใจเราครอบงาจิตใจเราให้เราสร้างสิ่งสกปรกตลอดเวลาก็กิเร ต, ตะนะฮะแล้วก็ไม่มีใครรู้วิธีที่จะกำจัดอันนี้ได้ นอกจากพระโพธิสัตว์คือพระพุทธเจา้าท่นั้นที่จะสามารถที่จะค้นคว้าหาวิธีกำจัดอวิชชาให้หมดไปจากใจพอไม่มีอวิชชาแล้วจิตใจก็จะไม่ผลิตสิ่งที่เป็นเครื่องเศร้าหมองคือกิเลสตาาัณหาคุณอู่ครับกับเรียนถามพระอาจารย์ช่วยอธิบายข้อความที่ว่าติดดีแก้ยากกว่าติดชั่วครับอันนี้เราก็ไม่ทราบนะเพราะว่ามัน มัน ต, ติดดีเราไปแก้ทำไมมันไม่มีเหตุผลนี่เราไปแก้การติดดีต้องไปแก้การติดชั่วดะมาที่เราต้องไปแก้ยินไม่ทราบว่าเขาใช้ความข้อความนี้ในความหมายทางใดไม่ทราบจึงไม่กล้าตอบไม่ได้แต่คุณไลโคปีนครับอะไรบ้างคือทุกข์ของเทวดาครับเวลามันตกจากสวรรค์ลงมาครับมันกับคนที่ไปเที่ยวแล้วถุโทรศัพท์ให้เรียกกลับบ้านมา มาบ้านมาทำงานบริษัทกําลังจะแจ้งว่ารีบกลับมาช่วยทํางานหน่อย่อยเที่ยวก็ต้องหยุดเที่ยวแล้วก็กลับมาทํางานต่ออันนี้ก็เหมือนกันเวลาจบตกจากสวรรค์มาก็มาเกิดเป็นมนุษย์พอมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องมาทุกกับการเป็นมนุษย์ทำอาหากินเลี้ปากเลี้ยท้องอะไรต่างๆแต่เวลาเป็นเทวดานี้ไม่ต้องทุกกับเรื่องี้ปากเลี้เท้อมีแต่เที่ยวอย่างเดียวครับ คุณวสิณีครับวิญญาณคนที่ฆ่าตัวตายด้วยความแค้นถ้าตายไปแล้วจะสามารถมาฆ่าหรือทำรายคนที่เขาแค้นได้ไหมครับเออมันเกิดเป็นมนุษย์เท่านญ้านสามารถที่จะมาฆ่าคนด้วยกันได้โดยวิญญาณมาฆ่ามนุษย์ไม่ได้ฆ่าคนที่ไม่ร่างกายไม่ได้คุณไลโคพีนครับทำไมวิญญาณดับไปนามและรูปก็ดับครับพระอาจารย์ช่วยอธิบายให้ฟังครับเออไม่ดับหรอก คือวิญญาณนี้มันหมายถึง ว, ว่ามันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาให้ว่าเกิดดับเกิดดับคือวิญญาณก็คือตัวที่ไปรับรูร้รูปเสียงกลิ่นรสมันมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามรูปเสียงกลิ่นรสที่มันได้สัมผัสตอนนี้มันเห็นรูปคุณหมอกับเร่าบนจอเนี่ยพอคุณไปปิดปิดปิดเครื่องภาพรูปนี้มันก็หายไปมันก็เปลี่ยนเป็นรูปอื่นขึ้นมาแทนที่อันนี้เขาเรียวกวิญญาณเกิดดับมันเป็นอยู่ในนาม วิญญาณมันเป็นนามส่วนรูปก็คือร่างกายตาหูจมุกนิ้วกายนี่เป็นส่วนของรูปมันทํางานร่วมกันเนี่ยตาก็ไปรับรูปรูปเข้ามาส่งมาฮะวิญญาณก็ไปหน้าที่รับส่งมาให้ที่ใจใจก็รับรู้ว่ากําลังเห็นรูปอะไรอยู่เห็นแล้วเดี๋ยวรูปนั้นหมดไปก็มันก็ดับรูปรูปนั้นก็ดับไปแล้วก็มีรูปใหม่กลับขึ้นมาแทนที่แต่ตัววิญญาณไม่ดับมัน แต่ใช้ภาษาบางทีมันเข้าใจกันไม่เข้าใจกันว่ามันเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงท่านนั่นเองของอนิจจ์เปลี่ยนรูปไปเรื่อยๆ เ, เดี๋ยวคุณหมอก็ไปพออยู่โปรแกรมนี้คุณหมอก็ไปมองรูปอื่นนะ้ใช่ไหมมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆจากคุณไลโคปีนครับอธิบายเรื่องกายสังขารตั้งอยู่ในขันครับอาจารย์ครับอือ ก็ร่างกายก็เป็นรูปประคันไงส่วนส่วนเวทนาสัญญาสังขารวิ ญ, ญญาณก็เป็นนามประคันเขาทํางานร่วมกันเป็นทีมทําหน้าที่ส่งข้อมูลให้ใจใจต้องการข้อมูลคือรูปเสียงกลิ่นรสผดผาต้องมีร่างกายที่มีตาหูจมูกเนื้องายแล้วก็ต้องมีวิญญาณที่ไปรับรูปเสียงกลิ่นรสมาจากตาหูจมูกเนื้นกายส่งมาให้ที่ใจ ใจก็มีสัญญาวิเคราะห์ว่าเป็นรูปเสียงกลิ่นรสอะไรพอรู้ว่าเป็นรูปเสียงกลิ่นรสที่ดีก็เกิดสุขเวทนะาขึ้นมาแต่เป็นรูปเสียงกลิ่นรสที่ไม่ดีก็เกิดทุกขเวทนาะขึ้นมาพอเกิดทุกขเวทนาะสุขเวทนาก็เกิดตัญหาความอยากขึนะ้นมาอยากถ้ามันดีก็อยากจะเอาไว้อยากจะเก็บไว้อยากจะได้ถ้าไม่ดีก็อยากจะหนีมันไปไม่อยากไม่ต้องการมันสังขารก็จะสั่งไปที่ร่างกายอ้าว ถ้าเจอทองคำก็รีบยกเก็บขึ้นมานะเอามาเก็บ ไ, ไว้ถ้าไปถ้าถ้าเจอเศษขยะก็ไม่ต้องไปเก็บเลยเดินหนีไปซะอันนี้ก็การทํางานของขกันห้างเขาอย่างนี้คุณขวัญครับคนที่เสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุเป็นเพราะเขาหมดบุญแล้วหรือถ้าหากเขายังไม่หมดบุญแล้วเขาจะไปที่ไหนครับอันนี้มันก็เป็นเรื่องของ อาจจะเป็นเพราะบุญหมดก็ได้บุญที่จะทำให้เขาอยู่ในมนุษย์นี้หมดไปหรืออาจจะเป็นเพราะว่าบุญยังมีอยู่แต่มันมันเป็นเรื่องของร่างกายไม่เกี่ยวกับเรื่องของจิตใจก็ได้เนีย่ยมันเราแต่เราจะวิเคราะห์ครับจากคุณแต้ ก, กาะนะครับอันนี้อีกแพลตฟอร์มหนึ่งนะครับคนที่ปรารถนาพุทธภูมิแต่ละชาติที่เกิดมาสร้างบา ร, รมีย่อมต้องเจอบุคคลเหมือนกลุ่มเดียรถ์ถีไปทุกชาติใช่ไหมครับ มันจะไปเจอใครนี่มันก็ไม่แน่นอนรอแล้วแต่เรามาเกิดเราจะไปอยู่ที่ไหนพบกับคนแบบไหนก็อยู่ที่จังหวะที่เราไปเจอเขาเท่านั้นเองมไม่ได้อยู่ที่ว่าเราสร้างพุทธภูมิล้วงจะไปเจอคนแบบนั้นบแบบนี้มันไม่เกี่ยวกันคนเราเรี่องกันคุณลยาไยครับขอความเมตตาพระอาจารย์อธิบายเรื่องฉีดยาชาตอนทำรักฟันเทียมจิตรู้เฉย เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรในขณะที่เข้าสมาธิแล้วไม่วันไหวกับเวทนาครับคือการเข้าสมาธินี้ก็คือมันทําให้ใจนิ่งสงบมีอุเบกขาถึงแม้ว่าจะได้สัมผัสรับรู้กับรูปเสียงกลิ่นรสอยู่ก็ตามใจก็ยังไม่ไม่สะเทือนกับรูปเสียงกลิ่นรสที่เข้ามาให้สัมผัสรับรู้ในสมาธินี้มันมีอยู่สองระดับระดับที่ ร่างกายเวลูบเสียงกลิ่นรดหายไปหมดเลยก็มีแล้วระดับอีกระดับนั้นก็ร่างรูปเสียงกลิ่นรดยังอยู่ใจลงังรเลรู้อยู่แต่ใจนื่งสงบใจไม่มีปฏิกิริยาไม่มีอารมณ์กับรูปเสียงกลิ่นรดเนี่ยกว่ามีอุเบกขาเพรนั้นถ้าจิตรู้ฉีดถ้าจิตมีอุเบกขาสมมติว่าไม่ได้ฉีดยาชาแล้ว ต, ต, ต้องถอนฟันอย่างเงี้ยรู้ว่ามันเจ็บแต่จิตไม่ทุกข์กับมัน แต่เราผู้ที่มีเวทนาะที่มีอุเบกขาถ้าจิตที่ไม่มีอุเบกขานี่มันจะทุกขพ้ยังมีปฏิกิริยาต่อต่อต้านความเจ็บของของฝันของการถอนฝันมันก็จะเกิดความอยากไม่อยากอยากให้มันหายไปอยากให้มันไม่เจ็บพอเกิดความอยากมันก็เกิดความทุกข์ทรมาใจขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งคุณกิติศักดิ์ครับจิตเป็นเพียงพลังงานเกิดและดับเองใช่ไหมครับ ความรู้สึกว่ามีตัวเราก็เป็นเพียงแค่คลื่นพลังงานใช่ไหมครับมันมเราไม่เรียกว่าพลังงานนะมันเป็นธาตุรู้มันมีความสามารถที่จะรู้สึกนึกคิดได้นี่คือเรื่องของจิตคุณไลโคพีนครับสัญญาต้องเกิดก่อนยานไหมครับพระอาจารย์ช่อธิบายหนะครับคําว่ายานนี่แปลว่าการรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างทราบสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราเรียกว่ายาน เช่นอย่งางทราบอริยสัจสี่เรปฏิบัติไปปฏิบัติไปแล้วเราใช้สติใช้ปัญญาวิเคราะห์ไปเดี๋ยวก็กอยากทราบได้อ๋อเมื่อกี้เราเกิดทุกข์ขึ้นมาเป็ในใจเพราะคนโดยคนเขาด่าใจเราก็เลยทุกข์แล้วเราก็วิเคราะห์หนะว่าเราทุกข์เพราะอะไรเพราะเราไม่อยากให้เขาด่ า, ดาใช่ไหมเราก็เห็นสรุปไทยขึ้นมาอันนี้ในวิญญาณอย่งางทราบแต่ต้องเกิดจัดการที่เราได้ใช้ปัญญาวิเคราะห์เรื่องราว่า คุณธวัฒครับการเจริญสมาธิสู่ปฐมฌานแล้วมาเจริญสติปัฏฐานหรือเลยไปถึงทุติยฌานก่อนครับคือการเจริญสมาธินี่เราต้องการให้มันเข้าสู่ฌานสี่ให้มันเข้าสู่สตัตว์ในวัลุและก็มีอุเบกขาเป็นพื้นเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นคุณสมบัติเพราะใจที่มีอุเบกขาจะมีพลัง ไม่รู้สึกเดือดร้อนกับเหตุการณ์ต่างๆที่มาสัมผัสต่ำลงด้วยเมื่อเราได้สนาที่ได้อุเบกานแะล้วขั้นต่อไปเราก็ไปเจริ น, านทาด้านปัญญาเพื่อตัดความอยาก ต, าต่างๆหยุดความอยากต่างๆให้มันหมดไปจากใจนะหากบุคคลยังอยู่ในเพศคารวาจะสามารถทําจิตให้ทรงไว้ในชั้นปรมัดธรรมบารมีได้ไหมครับ ก็ต้องมีเวลาปฏิบัติเั้านั้นนะไม่ว่าจะเป็นพระหรือเป็นค า, า, ารานถ้าไม่ปฏิบัติมันก็ไม่สามารถส่งให้จิตอยู่ในสภาวะนั้นได้มันสภาวะนั้นมันเกิดจากการมีเวลาให้กับการปฏิบัติไม่ใช่ว่าเป็นค า, า, ารวนหรือเป็นเป็นนักบวชแล้วจะได้อัตโนมัติมันไม่ใช่มันอยู่ที่การที่เราจเจ ร, ริญสติให้จิตเราสงบเราจเจริญปัญญาให้จิตเรารู้ทันกิเลสตัณหาต่างๆ คุณมันลิกาครับเราจะอยู่กับความทุกข์อย่างไรให้มีความสุขครับก็ชอบมันสิครับถ้าเราชอบอะไแล้วก็มีความสุขนะถ้าใครก็ด่าเราแล้วก็ชอบชอบแล้คนดา่าเชิญด่ายินดีวันนี้อยากจะนั่งฟังคนดา่าฟังเพรามันเพลาะเหลือเกินมีความสุขเหลือเกินที่เราทุกข์เพราะเราไม่อยากจะฟังมันในชะ่ไหมไม่อยากจะฟังเสียงดา่าฮันฮันฮันให้เรารักความทุกข์ไง รักความทุกขเวานธนาปวดฟันก็รักเหมือนน่าชอบวันนี้ปวดฟันดีเหลือเกินวันนี้ปวดหัวเฮ้ยดีเหลือเกินอันนี้มีความสุขจากการปวดหัวชอบชอบ ถ, ถ้าชอบอะไรแล้วมันก็จะไม่ทุกข์ใช่ไหมครับคุณลุดครับเรารักษาศีลแต่เราไม่ค่อยได้ทาทานเราก็ไม่ต้องไปเกิดในอบายเป็นการปิดอบายไปเรื่อยๆใช่ไหมครับ ได้าเราทำรักษาศีลได้เราไม่ทําบุญเพียงแต่ว่ามันมีปัญหาอยู่ตรงนี้ว่าบางครั้งถ้าเกิดเราพลาดพราไม่เราอาจารือเปล่าว่าเราจะรักษาศีลได้ตลอดเวลาช่วงไหนเราพลาดนี่ปั๊บนี่ไปอบา ย, ายได้ทันทะีเพราะเราไม่มีบุญช่วยหนึ่งเอาไว้แต่ถ้าเราทําบุญด้วยบางทีเราพาดทำพลาดทําบาปแต่เราถ้าทําบุญไว้เยอะกว่า บ, บาปบะบุญก็ยังพยะหรือ ก็ยังกันไม่ให้ใจเราตกไปในอบายก่อนได้งนั้นควรจะทำทั้งสองอย่างอย่าเสียดายเงินทองเลยเอาเงินทองมาแปลงเป็นบุญเป็นกุศลเป็นสวรรค์ดีกว่ า, าแล้วก็มาต้านต้านบาปที่เราอาจจะทั้งเผลอและเวลาที่เราปกติเราอาจจะรักษาศีลได้แต่วันดีคืนดีเราเกิดลูกแก่โทสะหรือ ล, ลูกแก่โมหะขึ้นมาทีก็ไปทํำบาป บ, แบบปุนแรงก็ได้ไปทำร้ายผู้อื่นไปฆ่าผู้อื่นองนี้ แล้วเกิดถ้าเราตายไปบาปนี่มันอาจจะมีกําลังมากกว่า บ, บุญเพราะเราไม่ได้ทําบุญแน่เลยบาปมันก็จะดึงเราไประบาย ท, ทันทีนอกจากว่าถ้าเราเป็นทอดโสโดาบันนี่เราไม่ต้องทําบุญก็ได้เพราะโสดาบุญนี้ภาษาโสดาบันนี้รักษาสินห้งได้ได้เต็มร้อยเลยทุกเวลาไม่ว่าในกรณีใดแม้แต่ชีวิตของตัวเองก็ไม่รักษาถ้าต้องทําบาเพื่อรักษาชีวิตของตัวเอง การไปกราบพระบรมสารีริกธาตุและอัครสาวกที่นำมาจากอินเดียได้อา น, นิสงส์อย่างไรครับก็ถือว่าได้กราบดูพระพุทธเจ้าเลยตรงนันได้กราบพระพุทธเจ้าได้กราบพระสารีบุตรเพราะพระธาตุก็คือเป็นส่วนประกอบของร่างกายของพระพุทธเจ้าคนที่เข้าถึงธาตุรู้แบบเข้าฌานกับคนที่เข้าถึงธาตุรู้ด้วยการฟังต่างกันอย่างไรครับ การฟังนี the sickness, ่ก็เป็นการจินตนาการไปก่อนเนี่ยมันกัการที่ได้ยินได้ฟังสถานที่ที่เราไม่เคยไปเที่ยวแล้วก็นึกวามภาพขึ้นมาว่าประเทศนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ตามๆที่เขาเล่าให้เราฟังมามันต่างนะเวลาที่เราไปถึงประเทศนั้นสิ่งที่เขาวาดสิ่งที่เขาเล่าอาจจะไม่ครบแล้วสิ่งที่เราจินตนาการมันก็อาจจะไม่ตรงกับภาพของจริงก็ได้เรานต้องไปถึงสถานที่ไปเห็นจริงเห็นกับตา อันนี้งเาเรียกว่าเป็นสัญญาความจำได้ไหมายรู้จากความความพูดของคนหนึ่งัล้วการไปเห็นของจิตเขาเรียกว่าปัญญาคุณไลโคพีนครับอาณาปานสติและกรรมฐานพุโทโธถ้าสมมติว่าถึงฌานสี่แล้วพระอาจารย์คิดว่าทำอรูปฌานต่อไปได้ไหมครับถ้าอยากจะทำก็ได้ถ้ามีสติที่สามารถควบคุมจิตให้สงบมากไปก่่นนี้ก็ได้ แต่ถ้าจะปฏิบัติเพื่อมากผลนิพพานก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปถึงขัาง้างลูกประชานน่นแาแค่ฌานสี่เราต้องการอุเบกขาจากจากการเข้าสมาธิเพราะเราต้องมีกําลังต่อสู้กับความอยากเมื่อเราพิจารณาด้วยปัญญาเห็นว่าความอยากเป็นเหตุที่ทําให้เราต้องทุกแต่ถ้าเราไม่มีอุเบกขาเราก็สู้ความอยากไม่ได้ถึงแม้รู้ว่ารู้ว่าจะทุกข์ก็ยังอดไม่ได้ถ้าเราเคยติดอะไรนี่ เดืนมิถุนายนเดือนสุราทั้ท่านที่รู้ว่ามันมันเป็นโทษกับเราแต่มันความอยากมันก็ยังอยากจะจะเสพอยู่แต่ถ้าเรามีปัญญาถ้าเรามีอุเบกขานี่เราจะสู้ความอยากได้เราจะไม่รู้สึกหงุดหงิดลำคาญใจเวลาเกิดความอยากขึ้นมาอุเบกขามันจะทําใจให้เรานิ่งเฉยแต่ถ้าไม่มีอุเบกขาพอเกิดความอยากว่ามันรู้สึกหงุดหงิดขึ้นมาหงุดหงิําคาญใจ ถ้าไม่ได้เสกแล้วมันรู้สึกมันมันจะตายให้ได้ความรู้สึกคุณมาลิมีครับทําอย่างไรจึงจะลดอัดตราความถือตัวได้ครับก็ทําตัวเราให้ต่ําไว้เสด็จพระพุทธเจ้าสงสารให้เราทําตัวเหมือนปตัตภีเป็นเหมือนแผ่นดินให้ใครก็เหยียบย่ำได้ให้ทําตัวเราเป็นเหมือนแจวเป็นเหมือนคนรับใช้เป็นเหมือนทาสนน ทานยังไม่มีฐานะไปงอหัวไม่ว่าใครเลยเใช่ไหมตอนนี้นต้องยอมรับกับทุกสภาพที่คนอื่นจะโยนให้กับเราทําตัวให้เป็นแจว๋วเป็นคนรับใช้อย่าไปถือแต่ ว, ว่าโ้ยเราเป็นเจ้านายเราเป็นตําแหน่งระดับนั่นระดับนี้สี่เก้าสี่สิบอันนี้มันเป็นตัวที่ทาให้เราทุกเวลาที่คนเขาไม่ไม่เคารพเราขึ้นาดูถูกดูแคลนเราขึ้นมา อาจารย์ครับแต่แม้แต่พระสกิดาคาก็ยังมีความถือตัวอยู่เลยใช่ไหมครับอาจารย์มีมีนอกจากาเพราะยังมีมานะอยู่ยังไม่ได้ลดคุณไลโคพีนครับการปฏิบัติธรรมไม่ควรเล่าการปฏิบัติต่างๆให้คนอื่นฟังหรือให้คนอื่นรับรู้หรือครับอาจารย์คิดอย่างไรครับการปฏิบัติธรรมนี่ถ้าจะเล่าก็เล่าเพื่อให้เกิดความกระจรย์ วันที่เราปฏิบัติแล้วได้ผลอย่างนี้เรายังต้องการคํายืนยันเ ร, เราก็ต้องจะไปกราบละเรียนให้กับครูบาอาจารย์ให้ท่านทราบว่าเราปฏิบัตินี่เป็นอย่างนี้แล้วก็ให้ใหครูบาอาจารย์เป็นคนให้คะแนนเราเนียไงใช้ได้ใช้ได้ถูกต้องเนีเราก็จะได้มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นว่าเราไม่หลอกตัวเราเองเราไม่หลงคิดไปเองแต่ท่านบอกเออ ย, ยังไม่ใช่นะยังไม่ใช่อันนี้เราก็จะได้เอาไปแก้ไขดัดแรลงต่อไป เรไม่ควพูดควิดโอ้ด์อ้ชั้นเป็นชั้นนั้นแล้วชั้นเป็นชั้นนี้แะอันนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่ควรพูดผู้ปฏิบัติจะไม่ค่อยมีความอยากที่จะไปอวดใครเพราะตัวตัวที่อวดก็คือกิเลสมันถูกตัดไปหมดตัวโอ้ยก็คือตัวกิเลนเองตัวอัตตาตัวตนมันจะถูกกำจัดไปเรื่อยๆจากการปฏิบัติของเราคุณอีฟครับถามสองข้อนะครับข้อที่หนึ่งครับ มนุษย์เรารับรู้ความรู้สึกถึงกันโดยผ่านขึ้นความถี่ได้ไหมครับก็ความถี่ของของจิตเนีไยกระแสวิญญาณจิตนี้สามารถเชื่อมต่อกับจิตอื่นได้ถ้ามีอุปจารสมาธิต้องมีจิตอยู่ในระดับอุปจารสมาธิแล้วก็จะสามารถติดต่อกับจิตของผู้อื่นได้จิตที่จิตของเทพนี่ยก็ติดต่อได้จิตของคนด้วยกันก็ติดต่อได้ แต่คนที่ได้รับที่เขาไปติดต่อจะไม่รู้ว่ า, าถูกติดต่อคือเขาสามารถอ่านจิตของเราได้ไม่ว่าตอนนี้กําลังแช่งเราอยู่กําลังดาาเราอยู่อย่างเงี้ยหลวงปู่บ้านเนี่ยท่านมีความสามารถอ่านวาระ จ, จิตของผู้อนได้ใครอยู่ ใ, ใกล้ๆท่านก็กลัวไม่อาจจะไม่อยา ก, ไ ม, ยากไม่กล้าคิดอะไรพุทโธพุทโธอย่างเดียวครับข้อที่สองครับ ถ้าเราฝึกนั่งสมาธิจะทําให้เราตัดคลื่นรบกวนได้ไหมครับอ๋อคลื่นรบกวนนี่มันเกิดจากความคิดตรุงแต่ของเราเกยงกิเลสถ้าเรายังไม่มีสติพร้อมที่เรา ย, ยังไม่สามารถควบคุมความคิดได้ความคิดมันก็จะคิดของมันไปเรื่อยๆเวลานั่งสมาธิแล้วเราพยายามฝึกสติตให้มีกําลังมากขึ้นไปตามลําดับแล้วความคิดต่างๆมันก็จะลดน้อยลองไปแล้วก็จะไม่มารบกวนใจเราต่อไปได้ จาคุณทองหยิบครับการละอวิชาในชีวิตประจำวันที่ควรทำทำอย่างไรครับมแล้วก็พยายามมองทุกอย่างให้เห็นว่าเป็นตายรักเนี่ยมองเห็นอะไรก็เป็นของชั่วราวนะได้งานได้งานก็เป็นงานชั่วครานะเดี๋ยวก็วอาจจะต้องถูกไล่ออกจากงานก็ได้บริษัทอาจจะต้องปิดกิจา ก, การก็ได้ดแฟนคนนี้มาอาจจะอยู่ด้วยกันไม่นานก็ได้นะ นั่นก็คืออาวิชกะแก้ววิชาคือให้เรามองเห็นความไม่เที่ยงเห็นตายรักษณ์ของในสิ่งต่างๆที่เราไปเกี่ยวข้องด้วยจากคุณเอกครับพระอาจารย์เมตตาอธิบายวิธีทําสังฆทานและการแผ่เมตตาตามคําของพระพุทธเจ้าได้ไหมครับการทําสังฆทานก็เป็นการทําทานถวายให้กับสงฆ์คือไม่ได้ถวายเจาะจงให้กับภาพ ร, รูปใดรูปหนึ่งคือถวายให้เป็นสมบัติของวัดไป ให้เวลาเราสร้างกุฏินี่เราไม่ได้สร้างถวายให้เจ้าวาดอยู่คนเดียวมันสร้างถวายให้สมทุกโลกที่ที่มาอยู่อาศัยในวัด น, นี้สามารถมีสิทธิ์ที่จะอยู่ได้โบสถ า, าราเจดีย์ก็เหมือนสร้างไว้เพื่อให้สงฆ์ได้ได้ใช้ร่วมกันได้ไม่ใช่เป็นสมบัติของพระรูปใดรูปหนึ่งอันนี้เรียกว่าสังฆท า, านแต่สังฆท า, านที่เราทํากันเวลาไปซื้อของแล้วเขาจัดใส่กระแป้งสีน้ำเงินเหลืองอันนี้มันเป็นสังฆท า, านแบบโมเมก็อย่างนี้ เอาความจริงก็ไปถวายให้ขับพระรูปใดรูปหนึ่งอยู่ดีพระรูปนั้นก็เก็บไว้เป็นของท่านไปใช้ของท่านไป น, นั้นันไม่ใช่เป็นสังฆทานสังฆทานแต่ชื่อสังฆทานที่แท้จริงต้องเป็นสมบัติของสงฆ์พระรูปใดรูปหนึ่งเอาไปครอบครองเป็นของเป็นสิทธิ์ของตนเองไม่ได้ส่วนเรื่องการแผ่เมตตาก็คือการให้ความสุขกับผู้อื่นไม่เบียดเบียนผู้อื่น ต้องแผ่ด้วยการกระทําไม่ได้แผ่ด้วยการคิดการสวดเราต้องให้ให้อภัยผู้อื่นเวลาที่เขาทําให้เราเสียหายเดือดร้อนเราไม่เอาโทษกดลียดถือโทษกดเคืองเขาอันนี้ก็เป็นเมตตายอย่างหนึ่งเวลาทำอะไรเราก็อย่าไปเบียดเบียนผู้อื่นอันนี้ก็เป็นเมตตายอยีกแบบหนึ่งเวลาที่เวลาที่เรามีอารมณ์ไม่ดีเราก็อย่าไปทําร้ายร่างกายแนละจิตใจของผู้ แ้วถ้าเราอยากให้คนอื่นมีความสุขแล้วก็มีอะไรแบ่งปันให้เขาแล้วก็แบ่งปันไปมีข้าวมีของมีเงินมีทองอยากให้คนนั้นคนที่เขามีความสุขก็ลองให้เขาไปดูสิให้เ้าเดี๋ยวก็กจะเกิดความสุขใจขึ้นมานี่คือวิธีให้ความเมตตาต่อสรรพสัตว์ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์ในราฉาเก็ได้คุณอารามศรีครับ การเห็นลมหายใจตลอดเวลาเป็นการยืนยันว่าสติเราสมบูรณ์ถูกต้องไหมครับก็ต้องอยู่ที่ว่าเราคิดหรือเปล่าถ้ายังคิดอยู่ก็ยังไม่สมบูรณ์อยู่การดูเพื่มเพื่อให้เราลืมความคิดต่างๆไปไม่ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่อง น, น, น, นี้ให้รู้อยู่กำนลมเพียงอย่างเดียวคุณโยทินครับขันติภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรครับอาจารย์ก็เราก็แปลว่า patience หราว่า ใจเ ย, ย็งเงยนเย็น patience แปว่าใจเย็นเย็นโดยบางทีก็ใช้ endurance อดทนตละหแตกกรณีเพราะภาษาอังกฤษมันไม่มีคำแปลที่ตรงตัวกันก็ต้องพูดแบบเทียบเคียงกันไปหรือ t o l e นก็เหมือนกันท o l e r a n c e ก็คือีกคำหนึ่งเรา t ร l น r a คือเราเราไม่โกรธใครวลาใครเขาทำอะไรเขาดูถูกดูแคนะแลเราเราก็ท o l e r มีม คุณวันวิพาครับจิตของพระอาหารหันต์ท่านจะไม่มีอารมณ์ใดๆเลยหรือเปล่าครับอันนี้ไม่เป็นพระอรหันต์แล้วก็วหายคำตอบอยู่ซิการละปฏิบัติบบไปแล้วก็จะรู้เองถ้าไม่รู้พูดไปก็ท่านนั้นแหะเสียเวล า, าเปล่าๆคุณเป๊ะครับ ถ้าเวลานั่งสมาธิแล้วเกิดทุกขเวทนาปวดขาปวดหลังต้องทิ้งลมหายใจแล้วมาโฟกัสที่เวทนาหรือเปล่าครับถ้า เ, เราอยู่กับลมหายใจได้ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ลาคานกับการปวดก็ไม่ต้องไปทิ้งมันถ้าเราลาคาญแล้วเราไม่สามารถอยู่กับลมหายใจได้เราก็อาจจะต้องใช้คําบริกรรมแทนเพื่อดึงใจไว้ไม่ให้ไปมีความรู้สึกเดือดร้อนกับความปวด เอาหมายก็คือเราต้องการรักษาใจให้สงบนิ่ง เ, ยเฉยๆอยู่ต่อไปไม่เดือดร้นกับการเจ็บป่วยของร่างกายกราบนมส ก, การครับปัญหาแก้ด้วยอาณาปานสติบางครั้งจิตหลุดไปคิดแต่ก็พยายามไม่ให้ทุกข์ในใจอย่างนี้ถูกไหมครับคือการใช้สติเมื่อสมาธิมันก็หยุดปัญหาได้ชั่วคราวเช่เราเครียดเรื่องนั้นเรนี้ พอเรามานั่งสมาธิเราก็หยุดคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ความเครียดมันก็จะหายไปช่วงนในขณะที่เราอยู่ในสมาธิแต่พอเราออกจากสมาธิมาเดี๋ยวเรากลับไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้เราเครียดเราก็เกิดความเครียดกลับคืนขึ้นมาใหม่ใหม่ได้อีกถ้าเร า, าจะให้ความเครียดหายไปอย่างถาวรเราต้องใช้ปัญญาวิเคราะห์ว่าเหตุของความเครียดคืออะไรก็คือความอยากต่างๆนี่ต้องหยาดอย่างใดอย่างหนึ่งพอไม่ได้ดัใงใจอยากใจก็เียงขึ้นมา เป็นเพียดเพราะว่าเราเป็นโลกมาเลอย่างนี้แล้วเราอยากจะหายเราอยากจะให้มันโลกมาเอย์นี้หายแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะทำยังไงให้มันหายได้แล้วก็จะเครียดไปเรื่อยๆถ้าเรายังไม่อยากจะเครียดกับโลกมาเลยก็เราต้องพิจารณาว่าร่างกายมันเป็นร่างกายที่จะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นอน้ตตาเราไม่สามารถไปบังคับไปห้ามมันได้ถ้ามันจะเป็นโลกมาเลยมันก็ต้องเป็นโลกมาเลย เมื่อเราห้ามมันไม่ได้เราก็ต้องยอมปล่อยมันเป็นไปพอเรายอมปล่อยให้มันเป็นไปเราก็จะไม่เครียดกับโรคอะไรอันนี้แล้วพอให้เรากลับมาคิดถึงโรคอะไรกี่ครั้งกี่ร้อยครั้งเราก็ไม่เครียดกับมันเพราะเรายอมรับให้ยอมให้นั่นไกายเป็นโรคอะไรอย่งได้ที่เราเครียดเพาเราไม่ยอมให้มันเป็น่ยนคุณแดรี่ครับ ทำไมภาวนาแล้วเห็นแต่ความทุกข์ครับเห็นแต่กิเลสจะทํำยังไงต่อครับเพราะว่าเมื่อก่อนนี้เราไม่มีสติเราก็เลยไม่เห็นมันกิเลสมันเราให้เราไปเห็นรูปเสีรรยงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์แต่ตัวที่ทําดันตัวความอยากให้เราได้รูปเสีรรยงกลิ่นรสนี่เรามองไม่เห็นกันเพราะเราเป็นมองแต่มองแต่รูปเสีรรยงกลิ่นรสพอเรามาภาวนาเราก็หนึ่งใจกลับเข้ามาข้างในแทนที่จะไปดูรูปเสีรรยงกลิ่นรสเราก็กลับมาดูที่ใจ ที่เกิดที่ตั้งของกิเลสเนี่ยเราก็เริ่หกิเลสขึ้นมาเพราะกิเลสมันอยู่ในใจของเราคุณอมรรัตครับการเกิดโสดาปฏิมาสโสดาปฏิผลจะต้องเกิดในสมาธิไหมครับไม่หรอกต้องออกจากสมาธิมายมื่อเอยู่ในสมาธินี่นปัญญาเดินไม่ได้เลยเพราะตอนั้นจิตจะนิ่งเฉยสัตวตว่าเราต้องออกถอนเรามาเรามาเริ่มมาคิดปรุงแต่งแล้ว ม, มาพิจารณาร่างกายว่าเป็น อขันห้าว่าเป็นอนัตตาเป็นนิจจามทุกข์องอนัตตาพิจารณาจนเกินญาณอย่างทราบกันมาว่าเป็นเป็นเป็นไปตามที่พิจารณ า, าร่างกายก็เป็นเพียงดินน้ำลมไฟไม่มีไม่มีตัวตนเมตนาสัญญาสญญามขั้ก็เป็นปรากฏการณ์ทางนมามธรรมเกินดับเกิดดับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่มีใครควบคุมขับได้ถ้าเป็นอยากจะไปควบคุมบังคับมันก็จะเกิดทุกข์ขึ้นมา มันก็เลยลความอยากเพราะไม่ต้องการให้เกิดความทุกข์ก็จะได้โูดาปฏิผลตามมาต่อไปเวลานั่งสมาธิมีเหมือนคนมาเป่าหูแรงๆจนสะดุง้งกับขอความเมตตาครับอ๋อมันเป็นอุ ป, ปทานอย่าไปสนใจนะคุณมานพครับถามพระอาจารย์ว่าเพราะเราเจอทุกข์ถึงจะทำให้เราเข้าถึงธรรมใช่ไหมครับ ก็ถ้าเราไม่สบายเราก็จะไม่ถ้าเราสบายเราก็ไม่ไปหาหมอใช่ไหมไม่ไปหายาพอเราไม่สบายเราก็ต้องไปหาหมอหายาทำก็คือยารักษาความทุกข์นี่เองพอเราทุกข์เราก็ต้องเข้าหาธรรมะเพราะธรรมะท่านั้นที่จะเยียวยาความทุกข์ขงใจเราได้หมอหมอรักษาไม่ได้ใช่ไความทุกข์ทางใจแม้แต่หมอเองยังรักษาตัวเองความทุกข์ทางใจของตัวเองไม่ได้เลยถ้าไม่ใช้ธรรมะเราไม่สามารถรักษาได้ เวลาสวดมนต์มีอาการหนักัวดง่วงนอนเกิดจากอะไรครับน้ําตาเกิดไหมครับเกิจากจากิเลตดิเลตไม่ชอบทําแต่เวลานั่งเล่นทายเนี่ยนั่งดูหนังนี่มันไม่เกิดอาการเลยนั่งเล่นไพ่ในกลางคืนเลยใช่ไหมคุณอีฟครับเวลาของแต่ละภพภูมิไม่เท่ากันแปลว่าเวลาสามารถยืถดหยุได้ใช่ไหมครับ ไม่มันยาวนานไม่ไม่เท่ากั น, นยาวสั้นยาวนานไม่เท่ากันคุณจิลวัดครับจิตของเราจริงๆแล้วจิตก็ไม่มีตัวตนและไม่ใช่ของเราเป็นธรรมชาติคิดอย่างนี้ได้ไหมครับได้ทุกอย่างเป็นธรรมชาติหมดร่างกายก็ไม่ใช่ของเราจิตก็ไม่ใช่ของเราไม่มีอะไรเป็นของเราเรานี่เป็นความฝันความเพิ่เพิ่ฝันของกิเลสต่างสาขึ้นมาทัง้งนีเป็นมันนิยาย ไม่ใช่เป็นของจริงเป็นฟิคชั่นภาษาอังกฤษก็เรียกฟิคชั่นไม่ใช่แฟกตค์คุณแม็กครับเราจะกําหนดตารางเวลาฝึกนั่งสมาธิเวลาไหนยังไงครับเริ่มต้นไม่ถูกจะทําก่อนนอนง่วงหลับทําได้ไม่นานครับก็ทํามัวนวันที่เราหยุดทํางานเลยทำมันทั้งวันไปเลยวันไหนวันหยุดแทนที่ยาววันหยุดไปเที่ยวไปชอปปิงป้งไปดูหนังฟังเพลงหรื อ, อะไร พอวันนั้นไปไปอยู่วัดหนึ่งวันไปจองที่ปฏิบัติที่วัดแล้วก็ปฏิบัติมันทั้งวันทั้งคืนนักยุ่งวุนเวลา น, นอนหลับเท่านั้นเองดีที่สุดได้ประโยชน์มากกว่าที่จะมากําหนดเวลาวันธรรมดาที่เราทํางานมัน ม, มนีมันมีอุปสรรคเยอะเพราะทำงานมันก็เหนื่อยถ้าจะมาทําตอนที่ก่อนจะนอนก็งวก่วงถ้าตื่นขึ้นมาก็าบางทีก็ยังไม่อยากจะนอนต่อก็ไม่อยากจะตื่นขึ้นมานัน อะไรไม่ถ้าตื่นสายก็ไม่มีเวลานั่งเพาต้องรีบไปทํางานี่ไม่ควรที่จะมาปฏิบัติธรรมจริงๆจังๆในวันที่เราทํางานควรอาวันที่เราว่างดีกว่ามัน ว, ว่างจากการทํางานเช่นวันพระเนี่ยเช่นเมื่อวานนี้เป็นวันพระแล้วตกกับวันเสาร์วันี้เอาวันนั้นะมาปฏิบัติตั้งแต่ตื่นจนหลับไปจองที่พักที่ปฏิบัติของวัดแห่งใดแห่งหนึ่งที่เคขาอนุญาตให้เราอยู่ตามลําพังและปฏิบัติของเราเองได้โดยที่ไม่ต้องไปร่วมกิจกรรมกับใคร เราลองฝึกสติเดินจงกรมนั่งสมาธิสลับกันไปทั้งวันทั้งคืนงาคุณหมอเข้ามามบเมื่ออาทิตย์หน้าใช่ไหมเพิ่มมาอยู่กับเกาชีโรนสองคืนนีครับผมได้ทางไหนคับเอาอะไรครับมันเป็นกรอบกรรเป็นเลย์ดียรใช่ไหมครับอาจารย์ครับแต่คุณไลโคบพีนครับ สมมุติว่าถึงสกิทาคามีแล้วเวลาออกจากสมาธิแล้วต้องคิดทางปัญญาอย่างไรครับจินตนาการถึงผู้หญิงสวยและจินตนาการเขานอนตายเปื่อยเน่าและเหลือแต่กระดูแบบนี้ได้ไหมครับได้ก็ต้องเห็นเห็ น, เ ห, นเห็นที่เขาเป็นซากศพไปหรือนึกถึงซากศพเมื่านั่งตายเขาก็ต้องเป็นซากศพหรือถ้ามันไม่ถึงใจก็อาจจะดูภายใต้ผิวง น, นังของเขาดูอ ว, วัยวะต่างๆดู อาการสาสิบสองที่มีช่อนอยู่ภายใต้ผิวหนังของเราดูความไม่สวยงามพอเห็นความไม่สวยงามของร่างกายแล้วมันการบันลมมันก็จะดับไปต้องดูบ่อยๆดูอย่ยาง้ามันติดตาติดใจเพื่อที่เวลาถ้าไปหลงเผลอไม่มองเห็นว่าสวยว่างามเราก็ต้องรีบเอาภาพไม่สวยไม่งามขึ้นมามันดับมั น, นทันที ผู้ปฏิบัติใหม่หลายท่านกระโดดไปเรื่องปฏิจจสมุปบาทควรวางเรื่องนี้แล้วมาเน้นศีลสมาธิปัญญาอย่างนี้หรือไม่ครับถ้าการปฏิบัติในเบื้องต้นพยพควรจะเน้นเรื่องสติสมาธินะแต่ก็ต้องมีศีลเป็นเครื่องสนับสนุนก็คือต้องมีศีลถ้าจะปฏิบัติมาเป็นเกศเป็นกรรมนี่ก็ต้องถือศีลแปดจันทร์แล้วก็ไม่ทํางานแต่ถ้ า, ายังต้องทํางานอยู่มันก็ปฏิบัติแบบ แบบแบบมือสมัครด้ืยอว่างตอนไหนอยากจะทำตัาไหนก็ทำซึ่งกำลังของสติตอนนั้นมันจะมีน้อยมากนั่งก็ได้ไม่นานห้านาทีสิบนาทีก็ต้องเลิกแล้วแ ต, ต่ถ้าต้องการให้ปฏิบัติให้มันเป็นกออเป็นกำต้องกำหนดวันหยุดทำงานแล้วเาวันหยุดทำงานนั้นมาให้กับการปฏิบัติเพียงอย่างเดียวคุณสลาวุธครับ จะต้องนั่งสมาธิภาวนานานแค่ไหนใจจึงจะสงบได้ครับหรือว่าต้องปฏิบัติทั้งวันครับนั่นแหะทั้งวันทั้งคืนจนกว่ามันจะสงบแล้วแต่บุญบารมีเก่าด้วยบางคนมีบุญบารมีเก่าบางที่นั่งทั้งนานีห้านาทีสินาทีก็สงบได้ก็มีถ้านั่งห้านาทีไม่สงบก็ต้องนั่งต่อไปจนกว่ามันจะสงบโสดาบันคืออะไรครับมีอาการอย่างไรครับ ก็เป็นการบรรลุธรรมขั้นที่หนึ่งในของกระบวนการของบรงบรลุมรรผลในผ่านในพระพุทธศาสนาที่มีอยู่สี่ขั้นด้วยกันขั้นที่หนึ่งโสดาบันโสดาบันนี้ก็สามารถที่จะละสัโยุทธได้สามข้อคือหนึ่งสักขยทิฏฐิความเห็นควเห็นว่าร่างกายเวทนาสัญญาสังขารเป็นตัวเราของเราอันนี้เป็นความเห็นผิดความจริงแล้วมัน มันไม่ใช่ตัวเราของเรามันเป็นอนัตตามันเป็นธานเป็นธานรู้ธานหนึ่งนะครับท่านหลมธานุไฟเมื่อเรารับสัจยะทิฏฐิได้เราก็จะมีความศรัทธาเชื่อมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะนี่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าที่เราได้สัมผัสรับรู้ผ่านการปฏิบัติของเราดล้วเราก็จะไม่สงสัยในเรื่องการรักษาศีลเพราะเราจะเห็นว่าการกระทําบาปนี้จะทําส่งจิตให้เราให้ให้ลงต่ำให้ให้ไปอบาย ให้เกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาเราก็จะละสัญโยอสามข้อนี้ได้คุณนิรันดร์ครับทำอย่างไรให้จิตของเรามีสติตลอดเวลาไม่อยู่กับสิ่งสมมุติบนโลกใบ น, นี้และมีปัญญาในธรรมครับก็ต้องท่องคุโจไปทั้งวันหยุดหยุดคิดแ้วมันทาในโลกของความเป็นจริงมันทำไม่ได้นอกจากว่าเราไปบวชหรือไปอยู่ากางลำพังของเราคนเดียว ไม่ต้องทํางานทําการไม่ต้องเกี่ยวข้องกับใายทั้งนั้นเองถ้าเรายังต้องเกี่ยวข้องกับคนนั้นคนนี้ต้องทํางานมันก็ต้องใช้ความคิดมันก็ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องสมมติทั้งหลายถ้าถ้าอยากจะปฏิบัติให้มันได้ได้ได้เป็นได้กรอบได้กรรมมันก็ต้องไปไปบวชกันเอเพราะว่าเราบวชแล้วเราก็ไม่ต้องมาเกี่ยวข้องกับเรื่องของสมมติเป็นในส่วนใหญ่เกี่ยวข้องเฉพาะช่วงเวลาที่เราต้องมาเล่นปากเล่งท้องเราเท่านั้นเอง เาศสร็จจากการหลี้ยงาเลี้งเท่าเราก็ไปปีกวิเวกอยู่ตามลำพังที่พักของเราจะทำให้คนไข้ที่ป่วยและซึมเศร้าออกมาจากความเศร้าหมองได้อย่างไรครับก็ต้องให้เขามีสติะถ้ามีสตทิทำใจให้สงบมมได้ความเศร้าหมองก็จะหายไปความเศร้าหมองเกิดจากความความผิดหวังอยากจะได้อะไรแล้วไม่ได้ดำใจอยากก็เลยเศร้าถ้าบ่อยๆก็เลยซึม ซึมเศร้าถ้าเราฝึกสติทำใจให้สงบใจก็จะดอยความสุขขึ้นมาแล้วก็ความความซึมเศร้าก็จะหายไปการถวายเครื่องไทยธรรมเช่นไฟฉายหลายๆก็บอกอย่างนี้จัดเป็นสังฆทานไหมครับมัน้วแต่ว่าวัดที่เราไปถวายเข า, เขาเขาจะจะจัดการยังไงถ้าไปวัดป่านี่เราถวายของเยอะๆให้กับเจ้าวาด เลือหัวหน้าท่านก็ออกไปแจกใจ่ายให้กับพระลูกวัดต่อไปในบางทีท่านก็มีที่เก็บไว้ส่วนกลางใครต้องการลายขาดเนืออะไรก็ไปหยิบเอาได้เลยอย่างที่วัดตากัานตากัานก่อ น, อนที่เราอยู่หลวงตาก็เป็นคนรับของที่ญาติโยมถวายไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแล้วก็จะมีที่เก็บไว้เป็นส่วนกลางพระลูกดายขาดสิ่งใดก็ไปหยิบได้เลยอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นสังฆทานไม่ใช่ได้มาแล้วก็ไปเก็บไว้ที่กุฏิหลวงตา อยางเดียวถ้าอยากจะได้ต้องไปขอหลวงตาก่อนอย่างนี้ก็ไม่ใช่เป็นสัมทานครัะคุณบุญสิริครับคําว่ารู้กับคําว่าเห็นเช่นรู้ทุกข์กับเห็นทุกข์มีความหมายเหมือนหรือต่างกันอย่างไรครับมันเป็นเรื่องของภาษาเราไม่สามารถที่จะตอบได้ครับแต่เราก็ว่มาละละลมันเหมือ น, อนกันนะรู้ทุกข์เห็นทุกข์มันก็ตัวเดียวกัน บอกว่าคุณเจียฟครับบอกว่าอยู่ดีๆเกิดความเบื่อน า, นายจากการสดมนเกิดอะไรขึ้นครับโอเคเลยนะไอ้ที่นี่นเลยมันกอยู่ดีๆมันก็เบื่อได้ทํางานบ่อยๆซ้ําจําเจซัซําๆมันก็เบื่อได้เราต้องแก้ด้วยใช้การใช้เหตุผลว่ามันเป็ น, นการกินข้าวการกินข้าวประวัตก็เบื่อใช่ไหมไม่อยากจะกินแตก็ดูทําให้กินกับการกินกินอย่างไรยามีประโยชน์กว่าถ้าไม่กินเดี๋ยวก็หิวเอ พอเราคิดอย่างนี้ไนดะ้วราถึงแม้จะเบื่อกินก็ยังต้องบังคับให้มันกินอยู่นะเพื่อจะได้ไม่หิวอันนี้ก็เหมือนกันคิดว่าการสวดมันก็เป็นการให้อาหารกับใจทําให้ใจเราเรียนใจสบายถ้าเราไม่สวดต่อไปใจเราจะร้อนใจเราจะวุ่นวายพอเราคิดอย่างนีถึงไม่จะเบื่อสวดเราก็สวดต่อไปได้แล้วก็เป็นบทส่วนส่วนบนอื่นก็ได้หรือเปลี่ยนวการใช้คําบริกรรมแทนก็ได้เปลี่ยนเปลี่ยนเงินบ้างก็ได้เพื่อ ถ้ามันจำเจมันซ้ำๆแล้วมันเบื่อก็เปลี่ยนบทสมัยก็ได้คุณสราวุธครับจะทำยังไงใจจึงจะปล่อยวางจากความยึดติดยึดมั่นถือมั่นในร่างกายและวัตถุสิ่งของภายนอกได้ครับก็ต้องเปเจนเอาตายรัดอยู่เรื่อยๆเป็นญาร่างกายมันเป็นไของไม่เที่ยงมันในวันหนึ่งมันก็ต้องตายจากเราไปมันเป็นดินน้ำลมไฟมันทำบัญญากาดินน้ำลมไฟวันเดียวมันก็จะแยกขึ้นสู่ดินน้ำลมไฟไป คินอยู่บ่อยๆคิดอยู่เรื่อยๆต่อไปมันก็จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมันนด้รับงกายได้จากกูนีครับสวดมนต์อยู่คนเดียวแต่สวดๆไปมีเสียงร่วมสวดกับเราเป็นคณะทํายังไงครับอาจารย์ไม่ต้องไปสนใจนะมันจะมาร่วมสวดก็ปล่อยมันร่วมสวดไปคุณพีรยุทธ์ครับคิดฟุ้งซ่านแก้ไขยังไงครับ ใช้สติเนี่ยใช้สติหยุดคิดใช้คกำ บ, บริการพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปสู้กับความคิดถ้าพุโทโธมีกําลังมากขึ้นมากขึ้นความคิดก็จะน้อยลงไปแนละ้วหยุดไปได้เลยที่สุดคุณมารินีครับบอกว่าไม่ค่อยได้สวดมนต์แต่ภาวนาเมื่อรู้สึกจะตกนรกไหมครับจะตกนรกหรือไม่ไม่ที่เราทํำบาปหรือไม่ทํา ถ้าเราภาวนาแล้วเราไม่ทำบาปมันก็ไม่ตกนรกการภาวนานี่เป็นการยกระดับจิตให้ขึ้นสู่ระดับพรหมรโลกเลยคุณกดชพรครับบอกว่าปีชงมีผลกับชีวิตประจำวันของคนที่โดนชงไหมครับไม่ใช่คำว่าชงแปลว่าอะไรนะ <laughs> ชงกาแฟเลยอ <laughs> ม่รู้เหมืงนกัน มันจะบอกว่าปีนี้ดวงไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับรอาจารย์ก็มันมันเรื่องของสมมุติน่ะเรื่องดวงใงๆนั้นก็สมมุติกันขึ้นมาแล้วเราว่าเป็นเดืนี้เป็นมีมีมีส่วนนั้นดีส่วนนี้ไม่ดีมันเรื่องของสมมตุติที่ก็ปรุงแต่งขึ้นมาแล้วก็เชื่อตามกันมาคุณพีครับขอพระอาจารย์ไม่ตาชี้ทางลดอวิชชาด้วยเจ้าค่ะก็ศึกษาธรรมะอยู่เรื่อย อันนี้ก็จะเรียวอวิชชาอวิชชาก็คือการไม่มีวิชาไม่มีความรู้เพื่อเราศึกษาธรรมะเราก็จะมีวิชามีความรู้เนช่นเรามาฟังเทศน์สอนธรรมอย่างนี้อยู่เรื่อยๆหรือถ้าจะย้ำว่ า, าวิชาในรูปแบบหนึ่งก็อย่างที่สอนให้พิจารณาทุกอย่างว่าเป็นของไม่เที่ยงเราเราไม่มองเราเมาะเรามักจะมองไม่เห็นความไม่เที่ยงของทุกสิ่งทุกอย่าง มักจะมองกลับกันนั ม, มักจะมองว่าสิ่งต่างๆเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนเป็นนิจจังสุ ข, ขังอัตตาแล้วจริงแล้วมันเป็นตรงกันข้ามมันเป็นอนิจจังทุกข์ังอัตตานั่งสมาธิได้สักพักรู้สึกว่าเจ็บจี๊ดๆตามตัวเหมือนโดนเข็มแทงบางทีทนไม่ได้ต้องออกจากสมาธิเกิดจาอะไรครับเกิดจากขิเลสเนีเ่ยกิเลสมันสร้างความรู้สึกนี้ขึ้นมาเพื่อมากัน้นเรา อะไรว่า น, นิวรณ์คุณเรือลำหนึ่งครับขอท่านอาจารย์อธิบายขั้นตอนการทําวิปัสนาเรื่องการมา้างกายด้วยครับคำว่ามั้งกายก็คงแยกกายดูร่างกายทำแบบให้งงมันเป็ น, นแยกออกมาเป็นชิ้นๆเป็นอันๆไปอาการสามสสองแยกออกมากองเป็นกองๆไปผมกองและขวันกองหนึ่นังกองเนื้อเอกองกระดูกกองหนึ่ง อ, ว, อวัยวะต่างๆกอง คนหาดูว่ามีร่างมีตัวเราอยู่ตรงไหนบ้างอันนี้เนระื่อการทำวิปัสสนาเพื่อให้เห็นใจเห็นจริงว่าในร่นาง ก, กายนี้ไม่มีตัวเราอยู่เลยเป็นการไปตัวจเอาดีๆนั่นเองหรืออย่เช่ น, นถ้าเราสมมติเราเรามีากุญแจไว้ที่ไหนไม่ทราบเราคิดว่ามันอยู่ในอยู่ในกระเป๋าเราก็ต้องดูของที่อยู่ในกระเป๋าเทออกมาให้หมดเก็จะได้ดูว่ากุญแจนี้มีนยังอยู่ในกระเป๋าตามที่เราคิดหรือไม่ ถ้ามันไม่อยู่ในกระเป๋าเราก็จะรู้ว่าเราเราคิดไปเองเราหลงไปเองมันไปอยู่ที่อื่นอันนี้ก็เหมือนกันเราไปหลงคิดอเอ ง, เองว่าร่างกายเราอยู่ในร่างกายตัวเราเป็นร่างกายร่างกายเป็นเราถ้าอยากจะรู้ว่าเราอยู่ในร่างกายจริงหรือไม่ก็ลองแยกแล้วดูเอาอวัยวะต่างๆออกมาแยกมันเป็นก้อนก็ออกม า, า, กออกมาตั้งไว้เป็นกองๆเหมือนเป็นชิ้นส่วนของรถยนต์เนี่ยรถยนต์มันก็เป็นการประกอบของชิ้นสวน่วนต่างๆเราก็แยกลองแยก อะไรต่างๆออกมาเครื่องยนต์ออกม า, ม, ามันก็จะเห็นว่ามันมีแต่มีแต่เครื่องเครื่องประกอบต่างๆมันไม่มีตัวตนอยู่ในสิ่งเหล่านี้ร่างกายเราก็มีแต่แค่าอาการ32านี่เลยการทําวิปัสสนาเพื่อรู้แจ้งเห็นจริงความว่าไม่มีตัวตนในร่างกายเราตัวตนเกี่ยวจากความหลงของใจไปคิดไปตัวเอาไปคิดขึ้นมาเฉยๆนั่นเอง บางครั้งคุณหมอก็อาจจะลืมไว้เราลืมคุณแจวไว้ต ร, ตรงนี้ใช่ไหมครับก็เราต้องต้องไปหาดูสิว่ามันจริงหรือเปล่าบางทีเราคิดว่าลืมไว้ตรงนู้นแต่พอไปดูจริงอาไมไ่อยู่ตรงนั้นเลยมันอยู่อีกที่นึงคุณวรรธนาครับระหว่างวิญญาณด้วยกันจะมีการทักทายกันเหมือนมนุษย์ไหมครับ อันนี้มันก็อยู่ที่ว่าวิญญาณนั้นเขามีความสัมพันธ์กันมีความสามารถที่จะติดต่อกันได้หรือเปล่าถ้าเ้ามีเขาว่าติดต่อกันได้การเห็นเกิดดับต้องเห็นในสมาธิอย่างเดียวใช่ไหมครับไม่ใช่หรอกต้องเห็นเวลาออกจากสมาธิมาเห็นการเกิดดับการเปลี่ยนแปลงเช่นเสียงนี่มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆในที่เรานั่งคุยกันมาเนี่ยมันเกิดดับเกิดมานานสักเท่าไหาร่แล้วไม่เห็นกันเอง เราคิดว่ามันเป็นของต่อเนื่องกันแต่ความจริงมันเราพูดจบมันก็ดับไปนะแล้วเดี๋ยวคุณหมาหมอเขาพูดใหม่มันก็เกิดขึ้นมาใหม่มันมีการเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่เรามองไม่เห็นแต่การเกิดดับเหล่านี้มันไม่ไม่ไม่สำคัญมันไม่มากระเทือนใจเราให้เราบรรลุการเกิดดับที่มันมากระเทือนใจเราที่สร้างความทุกข์ใจให้กับเราก็คือการเกิดดับของร่างกายนี้เรารู้ว่าร่างกายเกิดแล้ววันหนึ่งมันจะต้องดับ เวลาเราเห็นคนตายเรารู้สึกยังไงใจเราเศร้าขึ้นมาทันทีเราจะทํำยังไงให้ใจเราไม่เศร้าเราก็ต้องมองดูความจริงของร่างกายว่ามันเ ป, นนเปน็นธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมมันเกิดแล้วมันต้องดับใช่ไหมถ้าเรายอมรับว่ามันต้องดับเราก็จะไม่เศร้าที่เราเศร้าเพราะเราไม่ยอมรับมันไม่อยากให้มันดับ น, นี่คือการมองเห็นการเกิดดับของสิ่งต่างๆที่มันกระทบกระเทือนใจเรา ไอ้สิ่งที่มันเกิดแบบเราไม่กระเทงใจเราไม่ต้องไปสนใจไปเรามันไม่สําคัญมันไม่มาสร้างความทุกข์ใจให้กับเราเราไม่ต้องไปสนใจมันเอาแต่เรื่ที่มันสร้างความทุกข์ใจให้กับเราเราต้องมาพิจารณาว่าให้มองให้เห็นว่ามันเป็นเรื่องของธรรมดามันธรรมดาเป็นอนัตตาเป็นธรรมาานนชาติของสิ่งต่ตางๆที่เกิดแล้วต้องดับไป คุณอรารามศรีครับในระหว่างวันยืนเดินนั่งนอนนั่งสมาธิรู้สึกมีอะไรอยู่นิ่งๆลอยๆอยู่ใช่ฐานจิตไหมครับเวลานั่งภาวนาไปตั้งอยู่นิ่งๆตรงนี้ถูกต้องไหมครับถ้ารู้เฉยๆนิ่งๆไม่มีความคิดปลุกแต่งานก็จะเรียกว่าเป็นาฐานของจิตก็ได้จากคุณหมอนริมีครับ ทั้งหนึ่งตัดชิ้นเนื้อ ง, งอกที่คนลิ้นผู้ป่วยเพื่อไปตรวจยืนยันการป่วยเป็นมะเร็งแต่เลือดที่ออกมาจากการตัดชิ้นเนื้อจับตัวเป็นก้อนไหลไปอุดหลอดลมจนผู้ป่วยเสียชีวิตโดยไม่คาดคิดทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากพยายามช่วยชีวิตผู้ป่วยคนนั้นไว้ไม่ได้แม้ไม่เป็นคดีความแต่ทุกวันนี้สายตาของผู้ป่วยที่มองหน้าหนูขอนหมดสติจนสิ้นลมยังอยู่ในความทรงจําทุกใจตลอดเหมือนความทุกข์สำนึกบาปโทษตัวเองยังกักขังในจิต สำนึกควรวางใจอย่างไรและทําอย่างไรดีครับก็ต้องพิจารณาด้วยปัญญาว่าเราไม่ได้ทํำด้วยเจตนาที่จะตั้งทำร้ายเขามันก็เป็นเรื่องขอุบัติเหตุเป็นเรื่องของการผิดพลาดหรือการสุญวิสัยที่เราไม่มีเจตนาเราก็คิดได้เท่า น, นี้แหละแล้วก็ก็อาจจะคิดภายในใจว่าก็ขอขอขออภัยในการการะทําเคสของเราด้วยเท่านั้นเองแล้วก็ ยอมรับกับผลถ้านราจะเกิดขึ้นกับเราจากการกระทำเหล่านี้เราก็ยินดีที่ยอมรับถ้าเรายอมรับผลแล้วใจเราก็จะสงบใจเราก็จะไม่วาวิตกกังวลอีกต่อไปความรู้สึกทุกข์มันลอยลยมันไม่อินเป็นเนื้อเดียวกับอารมณ์พอรับรู้ว่าทุกความทุกข์หายไปอาการอย่างนี้คืออะไรครับก็ อ, อาการเห็นทุกข์่ย ให้ลดเห็นทุกข์ก่อนใ้เห็นทุกข์ดำคุณคณิ t ฐาครับลูกไปนั่งสมาธินวัดที่มีบรารมีธรรมระที่มากด้วยบรารมีอย่างที่ลานทรรมหลวงพ่อทำมงคลแม้หลับตาลงทําสมาธิลูกจะเห็นเป็นสีแดงตอนแรกนึกว่าสีกลีบบวัวแต่ไม่ใช่สีค่อยๆกลายเป็นสีผ้าจีวรพระบารมีพระธรรมเกจิหรืออะไรเจ้าคะเป็นความรู้สึกนึคิดของเราเองต่อสถานที่ บางคนต้องไปนั่งสมาธิที่อินเดียถึงจะสงบคุณลีครับการเป็นถามครับทำอย่างไรให้ความศรัทธาและความเพียรยังคงอยู่ตลอดต้องใช้วิธีอะไรครับต้องพยายามปฏิบัติอยู่เรื่อยๆไม่ยอมไม่ยอมหยุดเนี่ยต้องมีกำหนดเวลาแล้วพยายามทำถึงแม้ว่าบางครั้งบางคราวจะไม่อยากจะทำก็ต้องฝืนทำแล้วก็พยายาม ฟังเทศฟังธรรมศึกษาธรรมะไปอยู่เรื่อยๆสองอย่างนี้จะช่วยให้เสริมศรัทธาและความเพยียรือาการได้ยินได้ฟังธรรมอยู่เรื่อยๆแล้วก็การมีความเพยียรพยายามปฏิบัติมไม่ย่อย่อนพยายามรักษาวินัยของการปฏิบัติให้มันคงไว้คุณใบ ย, ยกครับเวลารูกนั่งสมาธิเวลาที่หนึ่งชั่วโมงเท่ากาันบางคราวก็เกิดเวทนาบางคราวก็ไม่เกิด แต่เวลาเกิดคือใจรวมสงบแล้วจึงแค่รู้เฉยๆบางคราวไม่หายไปแต่เวลาออกมาแล้วมันก็ไม่อยู่นานแบบนี้พอใช้ได้ไหมครับมันก็ยังไม่แน่นอนนะแล้วสติเรายัางไม่ยังไม่ยังไม่แน่นอนบางบางทีก็มีสติ ด, ดีบางทีก็มีสติไม่ค่อยดีพลมันก็เลยออกมาต่างกัน ถ้าไม่มีเวลาสวดมนต์แต่จิตจดจ่อกับงานหรืออยู่กับสมาธิในการทํางานได้ไหมครับคือถ้ามันมันคิดอยู่มันก็เปนสมาธิมันสติที่ไม่ไม่มีประโยชน์มันไม่ได้ทําใจให้สงบถ้าเป็นสติที่ไม่มีความคิดถ้าเป็นสติแบบไม่คิดนี่มันก็นจะทําใจให้สงบเย็นสบายมีความสุขได้คุณกิติศักดิ์ครับ ขอโอกาสอธิบายปัญญาอบรมสมาธิสมาธิอบรมปัญญาครับคือในปกตินี้เราจะใช้สมาธิก่อนแล้วเอาสมาธินี้มาเป็นฐานในการเจริญปัญญาต่อไปแต่ในบางครั้งมางวันข่าวเวลาที่เราจะทําสมาธินี่นั่สมาธิแล้วใจเราเครียดใจเราฟุ้งซ่านกับเรื่องนั้นเรงนี้ทาให้เราไม่สามารถใช้สติทําใจให้สงบได้เราก็ต้อง เปลยนมาใช้ปัญญาวิพาะษ์ว่าตอนนี้เราเครียดกับเรื่องอะไรอย่าเครียดกับเครียดกับเรื่องการเงินการท่องไม่พอใช้แล้วเราก็อย่าเครียดไม่รู้จะหาเงินที่ไหนมาใช้ถ้าเราอยากจะหาเครียดเราก็เรายอมรับว่าเมื่อเราไม่สามารถที่จะหาเงินหาท่องได้เราก็ต้องปรับชีวิตของเราให้ให้อยู่กับความความสามารถที่เรามีอยู่กับเงินเท่าที่เรามีอยู่อย่าไปอยากมีมากกว่าที่เรามี ถ้าเราเปลียนปรับได้ยอมอยู่กับสถานภาพที่ตับกว่าลงก็ยอยู่แบบรู้หลาก็ต้องกลับว่าอยู่แบบไม่รู้ละก็ยอยู่คอนโดเดือนละหลายหมื่นก็ต้องกลับมาอยู่ห้องแถวเดือนละสามพันอย่างเ ง, งี้ยถ้าเรายอมรับปรับสภาพได้ความเครีออยดก็จะหายาไปอันนี้ก็เหมือนกับการใช้ปัญญาเพื่อมาหยุดความเครียดความผุ้งสร้างของใจเพราะเวลาให้ใช้สติมันก็ไม่ยอมหยุดคิดถึงเรื่องเรื่องราวต่ ก็ต้องใช้ปัญญามาวิเคราะห์มาแก้ปัญหาเอแก้ปัญหาได้จิตยอมรับสภาพความเป็นจริงจิตก็จะสงบสามารถนั่งสมาธิได้ทำใจให้สงบได้ก็เรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิแต่ในป ก, กติเราจะใช้สติอบรมสมาธิกัน สามารถแยกกายกับจิตออกจากการเห็นกายเวทนาสัญญาสังขารไม่ใช่เราแต่ยังเห็นจิตเป็นเราอย่างนี้ถูกไหมครับมันต้อง ม, มันต้องมาเห็นว่าไม่มีอะไรเป็นเราเลยในที่สุดตอนบริกรรมพุทโธนึกลมหายใจหรือนึกถึงภาพพระครับไม่ต้องนึงกนอะไรเลยให้อยู่กับคําบริกรรมนั่นเองคุณพีโก้ครับ เป็นถามถ้ามีคนหนึ่งทําดีเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ทไม่ดีสามสิเปอร์ซ็นและคนนี้ไม่มีกรรมหนักที่เป็นอกุศลกรรมจะถามว่าข้อที่หนึ่งถ้าคนนี้ตายแบบจิตเป็นสุขต้องรับวิบากกรรมด้านสุขติภูมิก่อนไหมครับก็อย่างที่พูดนะเราว่าอันไหนมันมีน้ําหนักมากกาว่ากันนี่คำว่าสามเ็สามสิบเจ็ดสิบนี่มันก็ไม่รู้ว่ามันมีน้ําหนักเท่าไหร่ก็ต้องสุบ ง, ง่ายๆผู้ส่งผลได้ก่อนถ้าบุนีน้ําหนักมากกว่ามุนก็จะส่งผลก่อน ถ้านักมีน้ำหนักมากกว่าบากก็จะส่งผลก่อนถามข้อที่สองบอกวิบัติกรรมที่ทําไม่ดีสาิเปอร์เซนจะได้รับตอนไหนครับก็รอช่วงที่บุญความดีมันต่ํากว่าสามสิบเพราะความดีเหลือเหลือยี่สิบอย่างเงี้ยทีนี้วิบัตกของสามสิบก็จะเริ่มทํางานได้ทันทีเพราะต่ำกว่าเพราะต่ำกว่าสามสิบแล้วความดีมันก็ต้านต้านความไม่ดีไม่ได้ ถ้ามันยังอยู่ในระดับสามสิบสาสิบต่อสามสิบมันก็บางฝ่ายก็ไม่มีกําลังที่จะดึงไปทางใดทางหนึ่งบุญก็ดึงไปทางสุกติไม่ได้บาปก็ดึงไปทางทุกติไม่ได้สามสิบเปอร์เซ็นนั้นก็ยังยังไม่ส่งผลต้องรอให้บุญนี่มันลดลงไปตับกว่าสามสิบเหลือยี่ส้าอย่างเงี้ยเหลือยนีะ่ส้าแล้วสนบาที่มันสามสิบมันมีกําลังมากฝากมันก็จะดึงดึงใจให้ไปอยู่ในทุกกติได้ คุณมายูครับคําว่าจิตว่างคือจิตนิ่งนิ่งมีอุเบกขาถูกต้องไหมครับมันก็มันก็มีหลายความหมายจิตนิ่งก็เป็นมันก็ว่าว่างจากความคิดปรุงแต่ว่างจากกิเลสตถาเรียกว่าจิตว่างพอวา่างแล้วจิตก็จะ ม, มีมีอุเบกขาคุณมาลีครับ การที่คนค่าตัวตายถือว่าถึงแก่วาระของตัวเองหรือว่าตายก่อนเวลาครับไม่ทราบเหมือนกันอันนี้ถึงเวลาตายก็ตายมันจะตายก่อนเวลาหรือเมื่อไรเราไม่รู้เหมือนกันถ้ามันยังไม่ตายมันยังไม่ถึงเวลาใช่ไหมถ้ามันตายก็ไม่ต้องถึงเวลา <c oughs> คุณ นักส ม, มิทธั์ครับเคยนั่งสมาธิแล้วนิ่งสงบจนรู้สึกปลื้มอกปลื้มใจจนน้นาตาไหลเองรู้สึกตัวเบาเหมือนลอยอยู่ในอากาศระลึกรู้และมีสติตลอดแบบนี้มีผลดีต่อสมาธิไหมครับอันนี้ก็เป็นผลของสมาธินั่นเองเกิดปิติขึ้นมาแยังอาจจะไม่ถึงขั้นขั้นฌานสีคือเกอิดอุเบกขาเพราะถ้าฌ า, านสีแล้วความปลื้มปิติน้ําตาไหลปิติต่างๆจะหายไปหมด นืแต่เจว่เนือแต่อุเบกขาเนือแต่ศักดิว่ารู้ถ้าอยากจะนั่งให้นุเลกไปก่อนนันก็ต้องนั่งต่อไปดูลมถ้ า, าพุโทโธก็พุโทโธต่อไปถ้าดูลมาหายใจก็ดูดูลมาหายใจต่อไปอย่าเพิเ่งเริกสวดมนต์ทุกวันแต่เวลาสวดเหมือนคิดโ น, น, น่นนี่แต่สวดจบครับอย่างนี้ได้บุญไหมครับแปลว่ามีสติไม่มากพอที่จะอยู่กับการสวรดมนต์เพียวอย่างเดียว ส่วนปลาอกคิดไปด้วยประโยชน์ที่จะได้ผลที่จะได้ไมันก็ไม่มากนั่งสมาธินา น, านจิตจะออกจากร่างจริงไหมครับไม่ออกเหรอจิมจันไม่ได้จิตมันไม่ได้อยู่ในร่างมาตั้งแต่ต อ, ตอนนี้จิตเรากับร่างกายไม่ได้อยู่ที่เดียวกันจิตอยู่โลกพระจันทร์สมมตินะจิตเหมือนกับอยู่โลกพระจันทร์เหมืนอนหย่ยอมยานอวกาศที่เราส่งไปอยู่ที่โลกพระจันทร์อย่างเงี้ยแล้วส่วน ร่างกายก็อยู่ในบนโลกนี้เลาวติดต่อสื่อสารกันด้วยสัญญาณวิทยุอันนี้ยสัญญาณการร่ำเรื่ก็กคือวิญญาณจิตอยู่ในโลกทิพย์ร่างกายอยู่ในโลกกธาตุโลกดินน้ำลมไฟนั่นจิตสามารถส่งสัญญาณกันมาเชื่อมต่อกับร่างกายที่ตาหูมจมูกเนื้องายได้สื่อสารสื่อสารกันได้สั่งการกันได้คุณกิติศักดิ์ครับ การฟังธรรมมากๆโดยไม่ปฏิบัติเลยจะมีโอกาสพ้นทุกหรือไม่ครับและจะกลายเป็นความจําโดยไม่เป็นความจริงจากการปฏิบัติไหมครับคือธรรมะที่ได้ยินจากการได้ยินได้ฟังนี่มันก็สามารถไปตัดความทุกข์ได้ในระดับนึงแต่ไม่สามารถที่จะทําให้มันหายไปได้อย่างอย่างราบคาบมันอาจจะทําให้เวลาที่เราเราเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเราคิดได้ว่าอ๋อเราคิดเราทุกข์เพราะว่าเราอยาก อยากได้นั่นอยากได้นี่พอ เ, เปลี่ยนใจไม่เอาก็ได้เราก็หายทุกข์ได้อันนี้อาจจะไม่ต้องเกิดจากการปฏิบัติก็ได้ถ้ามันเป็นความอยากที่มันนึกมันแรงบางทีความความรู้ที่ได้อยากการได้ยินได้ฟังมาอาจจะไม่พอที่จะทําให้เราดับความทุกข์ดับความอยากนั้นได้ดับความทุกข์นั้นได้มันต้องอาศัยการปฏิบัติภาวนาให้จิตมีกําลังมากกว่านี้ถึงจะสามารถดับได้ การทำตามนี้ก็ช่วยดับความทุกข์ได้ในระดับต้นๆความทุกข์ที่ไม่หรุนแรงไม่ลึกอะไรมากแต่ความความทุกข์ที่มันฝังลึกนี่มันอาจจะต้องใช้ใช้สมาธิช่วยถึงจะสามารถถอนโลมาได้ ใ, ใจคุณการดีครับสติที่เท่าทันต่ออารมณ์เมื่อทําต่อเนื่องสามารถนํามาใช้พิจารณาไปรักที่เกิดโดยไม่นั่งสมาธิได้ไหมครับ ได้แต่มันจะไม่สามารถที่จะไปหยุดความอยากได้เพราะไม่มีจิตไม่มีไม่มีกาลังที่จะไปหยุดความอยากเมื่อพิจารณาตายรักเห็นว่าความอยากเป็นตัวที่ทำให้ใจทุกข์คุณสุขขุมครับความเครียดและความกดดันจากการทำงานเราจะมีวิธีจัดการอย่างไรครับก็ เ, เกิดจากความอยากของเราอยากทำอยากทำแต่เราทำไม่ได้เราก็เลยเครียด ต้องลดลดความอยากของเราลงมาอยากไปอยากทํามากกว่าที่เราสามารถจะทําได้เราก็จะไม่เครียดมีความขี้เกียจสวดมนต์แต่อยากนั่งสมาธิแล้วนั่งสมาธิเลยได้ไหมครับได้ถ้านั่งได้ก็นั่งเลยไม่ต้องสวดมนต์ก็ได้ขอความเมตตาพระอาจารย์ครับปฏิบัติสมาธิอยู่บ้านให้บรรลุธรรมได้คนเดียวเป็นไปได้ไหมครับ ได้ที่ไหนก็บรรูุได้มันไม่ได้อยู่ที่สถานที่มันอยู่ที่การปฏิบัติตถ้าเราปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญาได้ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนล้วก็บรรูุทรรได้คุณเพียงพิทครับการที่สามีออกเงินทำบุญทำทานและภรรยาร่วมบุญโดยไม่ได้ออกเงินในการทำบุญทำทานภรรยาได้บุญไหมครับก็ขึ้นอยู่ว่าเงินนั้นเป็นของใครถ้าเป็นของร่วมกันบรรยาก็ได้บุญด้วย แต่ถ้าเป็นของสามีแล้วเราไปชื่นชมยินดีเราก็เพียงแต่ได้อนุโมทนาบุญไม่ได้บุญจากการเสียเสียบรจาคเงินทองนั้นไปไม่ได้ทานไม่อนุโมทนาคุณมรดกธรรมครับถ้าบวชเป็นแม่ชีแล้วปฏิบัติธรรมอยู่ที่บ้านตัวเองได้ไหมครับเพราะอยู่ที่วัดมีคนก่อกวนครับก็ไม่มีกฎกติกาห้ามแม่ชีให้อยู่ที่ไหน ที่ไหนก็ได้ปฏิบัติ ท, ที่ไหนก็ได้ไม่เหมือนพร ะ, ะถ้าบวดแล้วต้องอยู่บ้านไม่ได้นะถ้าอยู่บ้านแา้วชาตเดินออกมาบินธบาเนี้ชาวบ้านเขไม่ใส่บาตรให้เขากลัวจะเป็นพระปลอม<ะ>แม่ชีนี้เขาอาจจะกลัวว่าเป็นแม่ชีปลอมก็ได้อย่าถ้าแม่ชีไม่ต้องการที่จะใสายการบินธบานก็แม่ชีก็เรี้ยงดูตัวเองอยู่ที่ไหนก็ก็อยู่ได้ แม่ชีไม่มีเข้าพรรษาใช่ไหมครับอาารยก็ไม่มีก็เป็นเป็นอมัสสิกาในนี้เนี่ครับผมถือสิบแปดแล้วถือสิบสิบการสวดมนต์ต้องพนมมือเสมอไหมครับเพราะถ้าเดินตอนเช้าเช้าแต่ไม่พนมมืออย่างนี้ได้ไหมครับได้ได้ถ้าเราสวดภายในใจไม่ออกเสียงเป็นธรรมเนียมมันเป็นเป็นเป็นเป็นเหมือนกับว่าเป็น เป็นส่วนประกอบอ่ะเวลาเราจะสวดมนต์เราก็ต้องผนมมือเพื่อสแสดงความเคารพแต่ถ้าเราเราสวดมนต์เพื่อจเจริญสติเพื่อให้ใจเราสงบแล้วเราสวดไปภายในใจนี้เราไม่ต้องผนองมือณนะอยู่ในเริยาบทไหนอยู่ที่ไหนเราสามารถสวดไปภายในใจได้ตลอดเวลาคุณออนอโนองครับทำบุญใส่บาตรรักษาศีลทําสมาธิควรทําสิ่งใดให้มากครับก็ทําให้มากใช่หมือนขโมยทงทั้งหมดนะ ทำบุญให้เต็มที่มีเท่าไรทาให้หมดเลยรักษาศีลได้ตลอดเวลาแล้วก็ ท, าทําสมาธิได้ทั้งวันทั้งคืนมือนต้องทำํำมันต้องเพิ่มบรัรลังก์ของการทําไปจนถึงขั้นสูงสุดเนี่ยถ้าทําบุญให้เต็มที่ก็คือออกบวชเลยสละทรัพย์สมบัติเจ้าของเงินทองที่มีอยู่ให้คนอื่นไปให้หมดถ้าเราไปเป็นนักบวชเราก็ไม่ต้องใช้เงนินใช้ทองแล้วามารักษาศีลตลอดเวลา แล่วก็ไปฝึกสมาธิตลอดเวลาคุณเมอคิรีครับตามรู้ตามดูความคิดเห็นความคิดตลอดทั้งดีทั้งชั่วแต่ชั่วเราไม่ฟังมันขอถามพระอาจารย์ว่าการคิดชั่วที่ควบคุมไม่ได้จะพาเราไปอบายไหมคะถึงแม้เราจะเห็นมันก็ตามครับถ้ามันยังไม่ไปทำมันก็ยังไม่ป่าผาเราไป เป็นเพลงแนตะ่ความคิดมันก็ยังเป็นอันกุศลมันก็เพลงแต่สร้างความไม่สบายใจให้กับเราแต่มันยังไม่พาให้เราไปอบายได้แต่พาให้เราไปอบายต่อเมื่อเรานาความคิดชั่วให้ไปพูดหรือ ไ, ไปทำชั่วทําให้เกิดความเสียหายเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นอันนั้นนะมันถึงจะเป็นบาปมันถึงจะส่งให้เราไปสู่อบายต่อไปคุณเฟีสครับเมื่อวานงานศพของคนสําคัญในชีวิตผม ตอนเปิดลงศพให้เห็นหน้าครั้งสุดท้ายผมมรณานุสติก็ไม่ได้รู้สึกอะไรพอตอนเย็นพิธีเผาศพผมพยายามพิจารณาความตายแต่ก็กั้น ร, ร้องไห้ไม่ได้เป็นเพราะจิตผมไม่กําลังไม่พอใช่ไหมครับได้ยังไม่มียกเบกขาพอที่จะรู้สึกเฉยเฉไม่มีความเศร้าเป็นซึมเศร้าสวดมนหายไหมครับถ้าสื่อจนจิตสงบก็จะหาย คุณประพัฒสอนครับคนที่ชอบเบียดเบียนคนอื่นโดยการนํางานของตนเองมาให้คนอื่นทําโดยใช้ตําแหน่งข่มขู่อย่างนี้ถือว่าผิดศีลข้อไหนไหมครับถ้าเขาเป็นเจ้านายเราเขาก็มีสิทธิ์ที่จะสั่งเราได้มันก็อยู่ที่ว่าเราไปแปลความหมายว่าเขาเบียดเบียนเราหรือเปล่าถ้าเขาทาตามตําแหน่งของเขาก็มีสิทธิ์ที่จะใช้เราเราเป็นลู ก, ลกน้องเขาเราก็ต้องทำตามทีท่เขาสั่งอันนี้ก็จะไม่ว่าเขา ผิดก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ทําผิดอะไรการทําบุญให้ผู้ที่ล่วงรับไปแล้วถ้าเขาไปเกิดใหม่แล้วเขาจะได้รับไหมครับถ้าเขาไปเป็นบรรลุแล้วเขาเขไปเขาเขาไปสร้างบุญของเขาเองได้ผู้ที่รับบุญได้เป็นพวกขอทานทางจิตวิญญาณที่เราเรียกว่าเปดตนอกากนั้นจะไม่มีใครมารับเทวดาเขาก็มีบุญของเขาถ้าไปตกนรกมันก็ไม่มีเวลาที่จะออกมา หรือก็ไปติดติดุกติดตารางก็จะไม่ได้ออกมารับชนบุญมีพวกเดียวเท่านั้นที่มีมีโอกาสเมื่อมาลอรับชนบุญก็คือพวกเรนนี่ชอบสวดมนต์เวลาขับรถไปทำงานเช่นสวดพาหุง ม, มหาการเมตตาใหญ่เพราะใช้เวลาขับรถประมาณหนึ่งชั่วโมงในตอนเช้าอย่างนี้บาปไหมครับไม่บาปหรอกเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ไม่มีสติไว้ยอยู่กับการขับรถ ถ้าเกิดมีเหตุกระทำหันอาจจะไม่สามารถควบคุมรถไม่ให้ไปเกิดอุบัติเหตุได้นทางที่ดีถ้าเป็นใบหน้าถ้าเราขับรถเราควรจะมีสติอยู่การขับรถจะดีกว่าเพื่อความปลอดภัยถ้าเราเป็นผู้โดยสารเนี่ยเราก็ส่วดนนไปได้ตลอดเวลามีสติอยู่การส่วนบนได้เต็มร้อยเลยแต่ถ้าเราขับรถเราสวดไปด้วยเนี่ยมันสติมันจะต้องแบ่งไปสองที่ มาที่สว่วนบนตมากแล้วกลับไปที่การขับรถมากขับไปขับมามันก็จะนั่นมันก็จะไม่ได้สติเต็มลอยคุณใบ ย, ยกครับสิ่งที่ลูกเข้าใจที่ได้จากการนั่งสมาธิจนสงบรู้เฉยเฉยคือการช่วยให้ชีวิตประจําวันของลูกวางเฉยกับเรื่องราวต่างๆได้ดียิ่งขึ้นการปฏิบัติเป้าหมายคือทางนี้เข้าใจถูกไหมครับใช่ให้ให้จิตแล้วสแต่ว่ารู้กับเสิ่งต่างๆ ไม่ไปวุ่นวายไม่ไปดีใจไม่ไปเสียใจกับเหตุการณ์ต่างๆที่เราไปสัมผัสลำเลียคุณแบงค์ครับระหว่างสวดมนต์จะมีอาการขนลุกอาการแบบนี้เกิดจากอะไรครับก็เรื่องวิปเติเกิดจากความีปิติจากการได้สวดมนต์เคยนอนสมาธิแล้วเหมือนจิตลอยออกจากตัวเห็นตัวเองนอนอยู่คืออะไรครับอาจารย์ ก็เป็นอุปทานเป็นความคิดปรุงแต่งของจิตไงคุณเที่ยวไปเรื่อยครับเรามีภรรยาและลูกใช่เราถูกกิเลสหลอกใช่ไหมครับใช่ครับก็กิเลสมันหลอกให้เราไปมีภรรยาและลูกไงถ้าเรามีปัญญาแล้วก็รู้ว่ามันเป็นทุกข์เราก็ไม่ไปพอเราไม่มีมมปัญญาแล้วก็ถูกกิเลสรู้รว่ามันเป็นสุข เราก็เลยไปมีภรรยามีลูกขึ้นมคุณเอกชัยครับหมอบอกว่าเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายอยู่ได้ไม่เกินสามเดือนจะมีวิธีสอนใจอย่างไรให้ยอมรับความตายที่จะเกิดขึ้นนี้ครับก็พิจารณาความจริงว่าร่างกายของคนทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามก็ได้ก็จะต้อ ง, งถือการความตายไม่ช้าก็เร็วด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งถ้ายอมรับความจริงนี้ได้ใจก็จะไม่ทุกข์ คุณนานาครับอยากไปอยากต้องทํำยังไงครับคือแค่รู้ว่าทางนี้ดีและถูกต้องก็แค่ทําไปใช่ไหมครับเช่นนั่งสมาธิให้ได้ทุกวันแม้ลึกๆเราจะสงสัยว่าความสงบจากการทําสมาธิเป็นยังไงให้แค่รู้อย่างเดียวว่าต้องปฏิบัติแบบนี้ไปทุกๆวันเรื่อยๆแค่รู้แค่นี้ใช่ไหมครับคือเื่อรู้ว่าถ้าเราต้องการที่จะหยุดความอยากกาจัดความทุกข์ต่างๆเราก็านั่งปฏิบัติทำ เาก็ต้องฝึกสมาธินั่งสมาธินจนกว่าจิตจะนิ่งสงบแล้วพอจิตซึ่งนิ่งสงบแล้วความทุกข์ความอยากมันก็จะหายไปช่วคทาวมันต้องปฏิบัติ ด, ด้วยมัเฉยๆมันไม่ได้ทําให้ความอยากหายไปหรือความทุกข์หายไปคุณโยทินครับพระอาจารย์เมตตาอธิบายวิปัสนาและอาการของวิปัสนาครับวิปัสนาก็แปลว่าการรู้แจ้งเห็นจริง เช่นเราเห็นว่าร่างกายแก่มาแล้วต้องตายเนี่ยแล้วเราอยอมรับความตายได้อันนี้ก็เรียกว่าวิปัสนาการก็งวิปัสนาก็คือเบาใจสบายใจน้องใจว่าออเราปล่อยวางร่างกายได้เราอยอมรับความจริงว่ามันต้องตายคุณ SP ครับ พบภูมิอื่นๆที่เรามองไม่เห็นด้วยตามีองค์ประกอบขันทั้งห้าเหมือนกันไหมครับเช่นเทวดามีขันสี่เพราะไม่มีรูปประคันแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วถ้าไม่มีรูปประคันแล้ววิญญาณขันจําเป็นต้องมีเครื่องมือตาหูจมูกลิ้นกายเสมอไปไหมครับเออถ้าไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายวิญญาณขันก็ไม่ก็ไ ม, ไม่ต้องทำงานก็หยุดทํางานเชื่วข่าวจนกว่าจะได้ร่างกายมาวิญญาณขันก็จะเริ่มทํางานใหม่ คุณนัดว่าลายพันธ์ครับมีผู้กล่าวว่าอนาคตข้างหน้าโลกของจิตวิญญาณจะเปลี่ยนแปลงไปคนรุ่นใหม่จะเชื่อว่าชีวิตนี้มีชีวิตเดียวตายแล้วศูนย์พระอาจารย์ว่าเป็นไปได้ไหมครับก็ถในนี้ก็เป็นไปแล้วเนี่ยคนต้องเยอะยที่คว่าตายแล้วศูนย์กันเราไม่เชื่อเรื่องมูนเรื่องบาปไม่เชื่อเรื่องการเวียนว่าตายเกิด คุณ s อ s มเอครับใจอยากจ ะ, กะเกษียณจากงานเพื่อจะได้มีเวลาปฏิบัติธรรมได้ทั้งวันแต่ยังมีหน้าที่ต้องทำงานหาเงินเลี้ยงดูบิดามารดาเราจะทำอย่างไรดีครับก็ต้องทำต่อไปเลยต้องเลยอันนี้รายงานผลพระอาจารย์ครับขออนุญาตรายงานผลช่วงนี้ไม่ได้นั่งสมาธิตอนเช้าเปลี่ยนเป็นสวดมนต์สั้น เย็นกลับจากงานนั่งสมาธิบ้างก่อนนี้หงุดหงิดกับความขี้เกียจตอนนี้เข้าใจว่ามันคือสิ่งที่ต้องก้าวข้ามนะครับก็ออยอมรับความจริงว่าตอนที่เรายังทําไม่ได้ก็ยังไงเร า, า, าก็จะได้ไม่หงุดหงิดครั บ, บคําถามสุดท้ายครับอาจารย์ครับรู้สึกว่าตรอมตอมใจเมื่อเห็นว่าลูกไม่กระตันยูจะมีอุบายในการแก้ปัญหาทางใจอย่างไรครับก็ต้องมองว่าลูกก็เป็นเหมือนดินเย็นฟ้าอากาศ เราไปควบคุมดินฟ้าอากาศไม่ได้ฉันได้แล้วก็ไปหวังเราไปสั่งให้ลูกมีความกตัญญูก็ไม่ได้ฉันนั้นคนที่มีความกตัญญูนี้พระเจ้าบอกมีมีน้อยมากหายากคนที่มีความกตัญญูคนส่วนใหญ่นี้จะไม่มีความกตัญญูดังนั้นเราถ้าเราคิดอย่างนี้เราก็จะไม่เสียใจนะแค่เหมือนกับการการสวดมต์ที่นะ่ะคนที่ถูกมนตอรี่ราวันที่หนึ่งนี่น้อยมากคนที่ไม่ถูกนี่มีเยอะแยะ ก, กว่า เขาก็เป็นคนหนึ่งในคนที่ไม่ถูอว่าจะเร่งรางวัลที่หนึ่งก็คือเราไม่ได้รู้ที่มีความกระตันอยู่ของเร า, าท่านเองแต่เราไปบังคับเขาไม่ได้เพราะมันเป็นธรรมชาติของเขาหมดเวลาแล้วครับอาจารย์กลับขอโอกาสครับวันนี้มีเพื่อนๆฟังในเฟซ966คนนะครับใน u ูทูบ642คนในครับเ o u s e 9คนครับแล้วก็รวมสามช่องทาง 1,617 คนมีในติ๊ t o k เพิ่มอีก425คนครับวันนี้มีเพื่อนเพื่อฟังธรรมอยู่ด้วยกัน2 4 2คนครับอาจารย์ครับที่ตอก็ทาให้ปริมาณเพิ่มขึนมน้นเยอะ400กว่านะครับอาจารย์ครับก็ดีที่มีช่องทางใหม่ที่ทำให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงธรรมะได้ก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์มากไม่มากก็น้อยเพื่อจะได้นำไปใช้เพื่อบาบัดความทุกข์ความมุ่งวายใจต่างๆให้เบาๆลงไปและหมดสิ้นไปต่อไป การทำหรับคืนนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงเอ า, าสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจรารณาไปปฏิบัติเพืความสุขความเจริญก้าวานหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถอดสาธุก็ขอลาคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฝังไว้เพียงเท่านี้ถ้ า, าโอกาสหน้าถ้าไม่มีอะไรขัดข้องก็คงจะได้พบกันอีกเช่นเคย อ, น, อ, น, ข น, ขอนขอจริพกับไปบกับพระอาจารย์ครับ